เรินพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ทาทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาทำถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนากนเช่นเดิมเช่นเคยเราจะไปที่เด็กเด็กก่อนจะได้ไปนอนกันเด็กคนที่อยู่ดึ ก, กล้วสี่ทุกแล้วคุณจากโตกเกียว ให้ดูได้ไหให้ดูลบาบค่ะพระอาจารย์ น, นามัศการเจ้าค่ะอ่าอากาศนกันพระอาจารย์ก่อนให้พรอาจารย์ดูดูแล้วค่ะวาเอโอเคอนามัศการลาบลาบค่ะนามัการวันนี้แม่ไมีคาถามค่ะเนี่ยเจนะไม่ต้องถามล <laughs> เลยมีอะไรจะบอกพระอาจารย์บ้างไม่อา ไ, ไม่มีเอาไม่มี <Okay. S 2> วันนี้ไม่ค่ะครัาาอาจารย์เมื่อวานเข้าไปฟังภาคภาษาอังกฤษรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างค่ะอ่ะอาลองฟังไปเรื่อยเยนศึกษาไปเรื่อยือ่ากกลา่าวค่ะคอาจารย์อาค่ะอ๋ะ อ, อ, อวันนี้เจตีกับ จ, จะมเจกล่าวใการพระอาจาราย์ครับวยังไง มาส่งกันบ้านเชเลยครับเี่ยเมื่อคืนนี้ใครเข้ามาในซูมมาสั่นเจตี้เหรอใช่คับถามอะไรแล้วเล่ไปละถามว่าสิงเพีงอยู่สิงเพียงอยู่มหัวทำไมถึงพ่อจงตายแล้วสิงเพียงมันหายไปครับแล้วก็หลับตาสยงมันกลับมาครับมันทำไงอมันเป็นอนาจ้าครับอ่าทำไมต้องไปยุ่งกับมันมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปเข้าใจไหม แล้วมันยังมาอยอะป่ะไม่เยอะเครับอ่า้มันจะไปสนใจถ้าใจจะไปสนใจก็ใช้พุทโธพุทโธหนึ่งมันออกมานะครับโอเคเอามีอะไรบ้างาการบ้านเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพนความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่องพ้นความตายไปไม่ได้เราจะระเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องรับร่างจากของรักของเจริญใจหลายทุ้งปวงเรามีกําเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแหล่งเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำกรรมันได้ไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่เาเราจะต้องได้รับผลของกนาร น, า น, านั้นๆัสืไปเราทั้งหลายควรพิจรารณายอย่างนี้ทุกวั น, ท, วนทุกวันเถอดแล้วร่างกายของเราเมีอะไรบ้างมีผมสนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเชื่อนในกระดูก ม้าหัวใจตับทั้งคือไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ายีในสมองศีรษะน้ำน้ีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาลน้ำเหลวน้ำลายน้ำหมูน้ำแข็ข้อน้ำมูดน้ำมูก น้ำไหลข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาลน้ำมันค้นน้ำเน่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเฉลต์น้ำดีเยื่อในสมองสีสับอาหารเก่าอาหารใหม่ใส่น้อยใส่ใหญ่ปอดไตผิวหนังตับหัวใจม้าเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเหงือ หนังฟันเล็บขนผมแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนมีตัวเราอยู่ในนี้ไหมไม่มีครับแน่ใจเลยแน่ใจแน่ใจอ่าไม่มีในร่างกายเลยเราไม่ได้อยู่ในร่างกายแน่ใจนะแน่ใจครับในร่างกายก็ไม่ใช่เราเนยนะค่ะถ้าเราไปโกกมันนำไมอ่ะใช่ไหมใช่ครับ อราไม่ได้เป็นอะไรกับร่างกายไม่ใช่นะเวลาสงสัยเวลาเกิดความกลัวเป็นกลัวกลัวกับร่างกายก็ทําแล้วแล้วร่างกายมันกลัวเปล่าร่างกายมันกลัวเปล่าเวลาเกิดความกลัวความกลัวเกิดอยู่ที่ไหนเรากลัวเกิดอยู่ที่ใจใจกลัวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วร่างกายไม่กลัวอะไรใช่ไหมไม่กลัวค่ะอันนี ร่างกายเขาไม่เดือดร้อนแล้วเราไปเดือดร้อนแทนร่างกายทำไมใช่ไหมต้องใช้เหตุผลนะทํางหมร่างกายเป็นอะไรร่างกายเขาไม่เดือดร้อนนิดหน่อยเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไปเดือดร้อนแทนร่างกายทำไมถ้าพูดภาษาชาวบ้านว่าเราชอบเสือไม่ยาอะไรหรอกใช่ไหะอย่าไปเสืยบนะ หยาบคายหน่อย้วนี่จะได้ถึงใจชอบไปเสือกเขาเรื่อยชอบไปเสือกเรื่องคนนั้นคนนี้อย่าให้เขาเป็นอย่างนั้นอยาให้เขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปทุกข์กับเขาเวลาเขาไม่เป็นไปตามความอยากนะแต่ไม่ได้อย่าไปเสือกเขาใจ้หมเข้าใจเข้าใจโอเควันนี้พูดให้มันถึงใจหน่อยเอาใช้ภาษาแบบนี้คครับมีอะไรหม มีแล้วคะหนูมีคำถาหนึ่งค่ะอตอนที่เรานั่งสมาธิอะค่ะเราก็พอเรานั่งไปสัม ก, ก็คือพอเรารู้แบบคือพอหลงไปคิดเราก็รู้ว่าเราหลงไปคิดแล้วก็ดึงกลับมาค่ะพระอาจารย์คือตรงนี้คือมันคือตัวรู้หรือว่ามันคือสติะอะคะมันก็ทั้งสติทั้งรู้อะตัวรู้ตัวสติเป็นคนบอกให้ตัวรู้รู้ว่าตอนนี้กาลังเผย ค่ะคือเหมือนกับหลงก็รู้กลับมาก็รู้อะค่ะมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันรู้อ่ะค่ะมันรู้ตลอดเวลาแต่มันามันหลงมันไม่รู้ว่ามันหลงมันเพลิดเลยกับความหลงค่ะอืแต่ถ้าเรามีอะไรให้มันปลูกไว้แล้วมันไม่อยู่เราก็จะรู้ว่ามันหลงอ่ะถ้าเรามีลมหายใจเราปลูกไว้พอมันไม่อยู่กับลมหายใจเราก็รู้แล้วว่ามันหลงอ่ะค่ะเราหลงเองอ่ะตัวรู้รู้ตัวเองหลงแล้ะ ต้องหึตัวรู้กลัมาให้อยู่ที่ลมหายใจใต้องมีอะไรไว้เป็นตัวผูกไว้ไม่งั้นมันจะลอยไปหลงไปกับเรื่องราวต่างๆหลงไปกับความคิดหลงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสที่มันมาสัมผัสได้ด้วยต้องพยายสมฝใจไม่ให้หลง ใ, ให้มันอยู่กับอ่พุทโธยึอยู่กับลมหายใจเข้าออมันจะได้นิ่งมันจะได้สงบจะได้วางปล่อยวางได้ งั้นก็จะชอบไปเสือกเรื่นั้นเรื่องนี้อยู่เลยใช่ไหม อ, อืมนะปติจะได้หยุดความเสือกของของใจมาได้ปติกับปัญญา อ, อความทุกข์ของเราเกิดจากความเสือกของเราเองเลยถ้าเราไม่ไปเสือกแล้วคนนันคนนี้เราไม่ไ ม, ไม่ทุกข์กับเขาหรอก เราต้องรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอนัตตาเขาไม่เขาไม่มีตัวตนเขาเป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วก็ดับไปในที่สุดมันจะเป็นอนัตตาห้ามเขาไม่ได้อ่าต้องปล่อยวางต้องรู้ทันแล้วปล่อยวางอ ย, าอย่าไปอยากให้จัดตีเป็นเด็ก ด, ดีเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่สอนก็สอนไปพอนแล้วก็ไม่เอาทางนี้ก็ช่วยไม่ได้ เขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของ อ, องการกระทำของเขาเองอโอเคเข้าใจไหค่ะเข้าใจตอนนี้นั่งนั่งสมาธิกันได้นานขึ้นนะคะเพราะว่านึกถึงคำสอนของพระอาจารย์บอกว่ารันเวมันต้องยาวไม่งั้นเครื่องบินมันขึ้นไม่ได้ยะะอย่างนี้ค่ะเด็กๆ ก, ก็จะแบบพูดโทรศัพกันนึกถึงว่ารันเวต้องยาวต้องยาวเหมือนเขาก็นิ่งกันไปนานขึ้นค่ะ ได้านานๆนักจิตก็จะสงบได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไปถึงว่าปัญญาสมาธิได้อประงอดทนลงพยายามพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดต่อไปมันจะติดเป็นนิสัยแล้วมันพุดโธมันจะมาเองมันจะง่ายไม่ต้องบงังคับมันเปลี่ยนแต่สางมันมันก็มาตายพุโทโธพุโทโธแลาก็พุโทโธไป อันนี้มันจะไปหาเกมหาโน่นหาเน็ตยสียเยอะมากกว่าหาวิดีโอหามือถือหาอะไ ร, รมันไม่ยอมอยู่กับพุทโธถ้ต้องกรีนมันก็ให้ปลูกให้อยู่กับพุทโธเรื่อยๆต่มันก็จะไม่ไปไหนโอเคนะเขะ้าใจแล้วนะขอบใจค่ะขอบคุณค่ะโอเคตาวันกับคุณแม่รอแล้วครับ ปรบมือกับพระจอหนครั บ, รรรบอ่าเป็นยังไงสบายดีแล้วอืมใช่ครับมีอะไรไหมครับวันนี้เออวันนี้ก็มีหนึ่งคำถามครับอ่มาว่าอะไรกู ด, ดัดังหน่อยเออถ้าเป็นพนักงานเชืแล้วเออมันมีคนที่อยากเอาดื่มเบียร์มันก็แล้วเราก็ให้เขามานก็เป็นบาบไหมหรือมัไม่เป็นอ่าคนคนเดิมคนเดิม เศษบาบายงมุกยังไม่ถือว่าบาปแต่ก็เป็นการกระทาที่ไม่ดีทำให้เขาเกิดเสียสติได้แล้วก็เขาก็จะไปทำบาปได้ง่ายแต่การเดินชุลานี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปจะเป็นอภบายยงมุกแต่พระพุทธเจ้ารวมไว้ในสีห้าไม่ทาไม่กระทาการเดินชุลาอ่านใจไหมเค้าใจครับ เดี๋ยวนะเราจะเมาเดี๋ยวอวารวาสด่าพ่อด่าแม่ได้เวลาเมาแล้วก็มีอารมไม่ดีขึ้นมาไม่พอใจก็ไม่มีอะไรยับยังไม่มีอะไรอยู่อยากเสว่าอยากอยากทอะไรก็ทําได้มันี้คนเสียสติคนเราก็คือคนเสียสติช่วงคราวงขาดสติเป็นคนบ้ายันพระจ้ถึงห้าไม่กินไม่ดื่มของมืนเรา แลยวเยาเสร็จติดที่ทำให้เกิดอาการมึนเมาขึ้นมาถ้าเราทำงานก็เราก็เปลี่ยนไปทำงานที่อื่นนะถ้าเปลี่ยนได้ก็ไปเปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็เราอย่าไปดืม่มเองก็แล้วกัน <laughs> เมื่อก่อนตอนโยมมาอยู่ที่ฮอนแลนด์ใหม่ๆนะคะพาร์ซานเคยทํางานพลาําเป็นพนักงานเสิร์ฟจนกระทั่งรู้สึกว่ามันมันไม่สบายใจก็เลยหาไม่ทําดีกว่าแบบนี้ค่ะอ่าก็เลยบาปก็จริงแต่มันเรามันไม่สบายใจของเราเองก็ไม่ทำอะคะ่ะแล้วก็ไปช่วยสนับสนุนให้เขาไ ด, ได้ได้เสิร์ฟอาบายมุก้วอาจจะมาแลกลับบ้านไปทุบตีลูกเมียก็ได้ใช่ค่ะพาร์ซานเราอย่าไปยุ่งกับเรื่องราวเหล่านี้ดีกว่า ไม่ใช่มีครับมีอะไรหมอืไม่มีครับันั่งสมาธิอยู่เปล่านั่งสมาธิอยู่ค่ะวันละกี่ครั้งเออสองครั้งแล้วยี่สิบนาทีก็ครั้งละยี่สิบเลยใช่อ่เก่งมากจะเพิ่มอีกไหมไหยไหมยี่สบ้ายี่สิบหาเายี่สิบห้าเนอคุณภาพด้วยนะมันจะนั่งสฉ่เฉ นั่นนั่นต้องมีพุโทโธนั่นต้องมีดูลมนะนั่งพุโทโธเป่าอืมก็มีก็ ม, มีถ้าไม่มีพุโทโธมันก็ไม่สงบเนาะถ้าอยากใช้มันสงบมีความสุขต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าอยู่พุโทโธพอไม่พุโทโธแล้วเดี๋ยวมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมคิดหรือเป่า ม, มีอยู่ครับ เราต้องหยุดคิดอย่าให้ไปคิดแล้วต่างๆนั่งไปยังนั่งครับพุโทโธพุโธพุทโธช้าบ้างก็ได้เร็วบ้างก็ได้แล้วแต่บางทีคิดมากก็พุโทโธให้เร็วหน่อยไหได้ถ้าไม่คิดมากก็พุโทโธช้าๆ ห, หน่อยก็ได้แต่ต้องมีพุโทโธนะต้องควบคุมใจทําไมควบคุมเนืยวใจมันไปทําคิดเรื่องปรุงแต่งหลอกเราได้ ครับโอเคนะมีอะไรไม่ก็แม่มก็เป็น25นาทีนะหนูร<ด>ับปากกับพระอาจารย์ละ25นาทีนะหนูครั้งละ25วันละ50นาทีนะใช่ครับพระอา<อ>จารย์คะโยมวันก่อนโยมฝันว่าได้ตักบาตรพระอาจารย์ด้วยค่ะแล้วก็พระาอาจารย์เอสอนธรรมะโยมเรื่องความหิวก็แปลกมากเลยค่ะพระอาจารย์อยู่ดีๆก็ฝัน มันก็ไม่แปลกหรอกมันอะไรก็เกิดขึ้นได้อนาตตาอ๋อเจ้าค่ะค่ะก็ถือว่าเอามาเป็นข้อคิดก็แล้กันถ้ามันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ก็เอามาใช้มันถ้ามันไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระก็ลืมมันไปได้ดีค่ะพระอาจารย์ยอมยอบอกได้ไหมคะพระอาจารย์าในฝันนี้พระอาจารย์พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องความได้ได้พูดไปนะบอกไว้พระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่า ถ้าลูกเสืกหิวก็อย่าเพึ่งไปตําไปไปไปให้มันให้ชะลอค่ะให้ชะลอออกไปเหมือนกับทรมานกิเลสแบบนี้ค่ะอาจารย์ดูมันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอืมแบบนี้ค่ะอาจารย์อันนี้เป็นธรรมะอยู่ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ถ้าเรากินตามความอยากมันก็สนับสนุนแต่ถ้ามันกินเพราะร่างกายขาดอาหารต้องถึงเวลาเติมน้ํามันให้มันก็ต้องเติ ม, มให้กินเพราะเราต้องเติมน้ํามันให้กับร่างกาย แต่เติเป็นเวลาเช่นวันละครั้งหรือวันละสองครั้งแต่ไม่ใช่กินตามอารมนึกอยากจะกินเมื่อไหร่ก็กินอันนี้ต้องหยุดมันเพราะความอยากมันจะพาให้เราอยากจะกินอยู่เรื่อยๆล้วก็จะติดกลับมาตายไปก็อยากจะกลับมากินมากินใหม่เนะ็นต้องอยพยายามควบคุมความอยากความโลภเป็นดวงวิญญาณก็จะหิวโหวย เป็นเปนอยากจะกินตลอดเวลาไม่มีอะไรให้กินมยิ่งหิวใหญ่ทำใจให้สงบให้อิ่มดีกว่าเราจะได้ไม่หิวใช้พุโทโธพุโทโธให้มันเน่งแล้วใจก็จะไม่หิวใจก็จะอิ่มอาจารย์ ก็ส่วนเรื่องการปฏิบัติตอนนี้โยมก็อพิจารณากายให้มากนะคะมองให้เป็นอสุภะเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มให้มันแตกสลายไปเป็นธาตุเป็ น, เ ป, นเป็นของว่างเปล่าแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็ดูเข้ามาที่จิตเพิ่มตรงนี้ไปอีกด้วยค่ะพระอาจารย์ให้มันเป็นว่าไม่มีตัวไม่มีตุลอะไรแบบเนี้ค่ะสงบก็ทําให้สงบก็ทําค่ะพระอาจารย์โยมก็ปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะโอเค อแตระว่างมันจะฟุ้งซ่านใช่ไหมถ้าไม่มีสติเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านได้ค่ะถ้าฟุ้งซ่านก็ต้องหยุดแล้วก็มาทําสมาธิใหม่ค่ะอืมก็ทําวันละหลายรอบค่ะพระอาจารย์ถ้ายัางทําอะไรกิจกรรมทําอะไรแบบเนี้ยในครัวหรืองานบ้าน ก, ก็จะเน้นสติแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็คือว่าก็มานั่งอ่าให้สงบแบบ น, นี้ค่ะพระอาจารย์หรือไม่ก็ถ้าพี่มากก็อนอนแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ทําสมาธิไปด้วยก็ได้ ค่ะอย่าไปหาความสุจากรูปเสียงขิ่นล่ะตัดมันไปให้หมดค่ะทีวีก็ไม่ค่อยได้ดูขนานานทีค่ะาาอจะาจารย์เอาเวลามาความสงบ<อ>นนด้วยดูแป๊บนึงค่ะออืความสนมควาสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงโอเคหมดแล้วใช่ไหมมีเท่านี้ค่ะอาจารย์โอเค ทำการน่าถามใหม่อาจารย์ี่คุณบอลพิเศษนะคุณบอลจะป้อยคำถามมาให้วันนี้กับนวันส ก, การ์พระอาจารย์ครับเขาก็ามเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายความเป็นจริงของชีวิตครับอาจารย์ความเป็นจริงของชีวิตมันก็มีสองส่วนชีวิตเรื่อร่างกายและใจร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่ภายใต้กฎขสงใจละ เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาส่วนใจนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกายมันเป็น่านรู้แต่ปัญหาของใจก็คือมันหลงไปยึดไปติดสิ่ ง, งต่างๆว่าเป็นตัวมันเป็นของมันเป็นไปได้ร่างกายมันก็ไปหลงยึดติดว่ามันร่างกายเป็นมันวเป็นเราเจ้าจเราก็คือผู้คิดผู้รู้ ว่าร่ายเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ไปยึดไปติดไปอยากให้มันอยู่ไปนานๆไม่อยากให้มันแก่มันเสื่อมมันตายก็เลยเจอความทุกข์ขึ้นมาเห็นปัญหาของใจก็คือหลงแล้วก็ไปอยากปไปยึดก็ต้องมาแก้ด้วยปัญญาสมัคใจว่าทุก อ, อย่างที่ใจมีว่าครอครองนี้ไม่ไ ม, ไม่เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของใจเป็นของธรรมชาติ ที่บางบางครั้งก็ควบคุมบังคับได้แต่บางครั้งก็ควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าถึงเวลาที่ควบคุมบังคับไม่ได้ก็อย่าฝืนอย่าไปอยากปล่อยให้มันเป็นไปมันจะเจ็บมันจะตายก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปใจก็จะไม่ถูกอันนี้ก็คือสัจธรรมของชีวิตก็คือชีวิตของเราประกอบขึ้นด้วยสองส่วน ส่วนหนึ่งเป็นร่างกายที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกส่วนหนึ่งเป็ น, น, น, นใจที่ที่เป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่ยังจุกอยู่ภายใต้อํานาจของความหลงขาดปัญญาเลยต้องมาสอนใจให้มีปัญญาให้รู้ว่าสิ่งต่างๆ ท, ที่ใจไปครอบครองรูนเป็นของชั่วข่าวนั้นไม่สามารถครอบครองไว้ได้ตลอดเวลาความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขชั่วข่าว แล้วพอแม่พอมันสูญไปก็จะทให้ใจทุกข์ใจเศรา้าถ้าไม่อยากจะทุกข์อยากจะเศรา้าก็อยากไปหาความสุขจากสิ่ ง, งตา่างๆให้เอาความสุขจากการหยุดความอยากจากความอยากได้นใจก็จะสงบมีความสุขเรง่มต้นก็ฝึกหยุดความอยากด้วยสติก่อนใช้การบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็หยุดความคิ้นหยุดความคิ้นได้ก็จะหยุดความอยากได้ เราสามารถใช้สติหยุดความอยากได้แล้วต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาเพราะสติไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าความอยากพอหยุดมันพอสติเผลอ พ, พอคิดความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากให้ความอยากหายไปก็ต้องสอนัอนใจให้รู้ว่าสิ่งที่ ท, ที่ความอยากต้องการนั้นเป็นตายรักทั้งหมดไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความทุกข์เพราะมันเป็นของชั่วคราว ของที่เกิดแล้วก็ต้องดับไปแล้วก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันดับไปเราก็เศร้าใจเสียใจทุกใจขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ไปเพึ่งเขาเวลาเขาเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ไปหาความสุขจากเขาอย่าไปหาความสุขจากอะไรเพราจะกลายเป็นความทุกข์ไปในที่สุดถ้าเห็นตายแักในทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้ก็จะหยุดความอยากได้ แล้วก็อยากไม่มีวันอยาก่างต่อไปเพราะรู้ว่าเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขเพราะสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นทุกขงังอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาเป็นทุกข์ทั้งนั้นอันนี้คือวิธีสอนใจและแก้ปัญหาของใจที่ไปอยากกับสิ่งต่างๆอันนี้จะไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้า ที่รู้ว่าปัญหาของใจน่าเดจับความอยากนี่พอพระพุทธเจ้าตอนตอนก่อ น, อนจะตัดเจรู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตัวเองต้องมาทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอนหนังนนเราไปวิจัยว่าพอมันเป็นตายรักมันเป็นจรนิงจังมันเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาทั้งนี้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยา ก, ไ, ยากได้มัน มันจะไปก็ปล่อยมันไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปใจก็จะใจก็จะไม่ทุกกับสิ่งต่างๆใจสามารถอยู่ตามลาพังโดยไม่มีอะไรได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วใจจะมีความสุขมีความอิ่มในตัวของมันเองเหตุที่ทาให้ใจหิวใจอยากเพราะความอยากนี่เพราะความหลงเปนทีว่าสิ่งที่อยากได้จะให้ความสุขกับตัวเอง แต่แทนที่จะเป็นความสุขเหมือนกับกลเป็นความทุกขไปในภายหลังเน้เนต้องมั่นอนใจอย่าไปอย่างได้เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างใจอย่างได้เป็นเป็นอนิจจ์เมื่อมันเป็นอ น, นิจจ์มันก็ต้องทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเป็นอนัตตาไปห้ามมันไม่ได้อเนี่ยคือเราจะทำความจริงของชีวิต ทำให้ชีวิตของเราที่เคยทุกข์นี้กลายเป็นชีวิตที่ไม่มีความทุกข์ได้ด้วยอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาปฏิบัติครับเข้าใจเรยครับเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์ <Okay. S 2> กับคบคุณยังสูงครับไปในวันอาทิตย์ที่มาอันนี้กลับไปดันเมยวงเลย การวัสนสกังครับอาจารย์วันนี้อยู่ดอนเมืองค่ะวันนี้ไม่ได้เข้าไปแล้ฟังที่นากุติค่ะอาจารย์พราะดีนี้แบ่งถัดและใช่ก<ข>ารเอฟซีคนสําคัญไปวันนี้ <laughs> ไว้มีโอกาสหนูจะพยายามเคลียร์เวนให้ว่างแล้วก็ไปฟังคำเหมือนเดิมสปาราจันสิฟังทางยู u ูบว่ะวันนี้ฟังที่ youtube ค่ะอาจารย์ ไม่มีคําถามค่ะเข้ามาฟังธรรมกับอาจารย์พระอาจารย์ทักษะแข็งแรงนะคะาไปที่คุณสาตกาที่จังหวัดชายนาะฏไม่มีคําถามกับอาจารย์มาฟังธรรมค่ะโอเคองั้นก็ไปที่คนอิศยาไปยังไงคุณแม่กา้จะกลับแล้นะวันนี้มาฟังธรรมที่คุติด้วยค่ะนมัตการผ่าพระอาจารย์ พระอาจารย์ได้ยินเสียงไหมคะเสียงกระตุกหรือเปล่าคะไม่กระตุกชัดเจนดีมากออโอเคค่ะค่ะช่วงช่วงปีใหม่อะค่ะโนอปิกวิเวกประมาณหกห้าห้าวันกว่ากว่าค่ะก็ตอนนั้นช่วงสามสี่วันแรกๆค่ะพระอาจารย์มันมีแต่เรื่องเรื่องราวขุดขึ้นมาแล้วก็เอาพูด หนูพยายามพุทโทรหรือว่าใช้บคำบริกรรมมันเอาไม่ค่อยอยู่หนูเลยลองถามในธรรมนากุตินะคะคืออยู่ๆมันทําทําขึ้นเองคือสา์คือภาพที่ปรากฏหนูก็แค่สาดสีขาวให้มันกลายเป็นสีขาวโครนให้หมดแล้วมันก็ใจมันก็สบายค่ะแล้วมันมันก็เย็นค่ะค่ะพระอาจารย์ก็เลยลองถามพระอาจารย์ว่าใช้วิธีนั้นได้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันคือแต่งหรืออะไรเพียงแต่ว่าถ้ามีภาพหรืออะไร ความคิดปรากฏขึ้นมาก็คือให้มันเป็นสีให้มันเป็นสีขาวแล้วก็ดูสีขาวสีขาวสีขา ว, ขาวนั้นไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็ใจเย็นแล้วมันก็เบาลงมากกว่าพุโทโธค่ะพระอาจารย์ลองทําไปดูเรื่อยๆดูไปดูมันจะไปถึงไงงหนจะได้สงบไปถึงไหนสงบสงบสงบปัญญาสมาธิแล้วฝบบนก็ไมล่มวั น, นวันนี้ค่ะหนูหนูหนหนคือ ลองดูดูค่ะพระอาจารย์แต่มันไม่มั่นใจเพราะปกติหนูก็จะใช้ อ, น, อนาปาตลอดนะคะคือพอตอนที่มองสีขาวไปเรื่อยๆแล้วมันจะอยู่ตรงมันไกลมาจากร่างกายแล้วแต่ก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจที่เราจะมองสีขาวแบบนี้ไปตลอดนะค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มั่นใจอ่ปาปฏิบัติก็นำทดลองดูไปเลยอ๋อเหรอคะอ่ารู้รู้สึกว่าเออหรือเราควรจะไป อยู่ที่พื้นฐานคือใช้ลมหายใจดีกว่าวิธีนี้มันอาจจะไม่รู้สึกไม่ไม่ไม่เคยทําอะค่ะพระอาจารย์แล้วพอมันอยู่ตรงนั้นแล้วรู้สึกไม่มั่นใจหวิวยังไงไม่รู้อะค่ะอ่าก็มันได้ผลไม่ใช่เหรอได้ค่ะได้ผลแล้วทําไมยังไม่ไม่ไม่มั่นใจนะไม่ทาบหลยค่ะมันมันกลัวกลัวค่ะกลัวอะไรก็ดูความจริงเนี่ยมันมันทําแล้วมันได้ผลหรือเปล่า ได้ผลก็นองทําไปดูืดหนูว่าจะพามันจะได้ผลไม่ถึงไหนอ๋าค่ะพระอาจารย์นึกว่าแบบคิดว่าถ้าใช้อนาปาก็คือควรจะฝึกอนาปาให้คล่องจนถึงสามารถเข้าอัปนาได้ไปเรื่อยๆไม่ควรจะมาวิธีนี้ประมาณนั้นค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่มั่นใจรู้สึกว่าสะเปะสะปะหรือเปล่าท่านน่ะนั่นเถอะแล้วไปทำไมอ่ะพูดสับสับสนไป เอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นต้องมันต้องมีความหนับแน่นแต่ถ้าเราคิดว่าทางไหนเป็นทางที่ถูกเราก็ไปทางนั้นอืมค่ะที่ลองใช้ตอนวิธีนั้นคือเพราะว่าตอนนั้นอานาปานนัสติเอาไม่อยู่แล้วก็พุโธมันไม่ค่อยไหวค่ะก็รู้ว่ามันเป็นอย่างไัก็แล้วแต่แล้วลองทําไปเรื่อยๆต่อไปดูอันนี้เป็นการเดินทางระยะยาวอย่าเพิ่งมาเอาแค่เหตุการ อย่างไงยอย่างหนึ่งมาเป็นตัวตัดสิน้นปฏิบัติไปไเรื่อยๆลองไปไเรื่อยๆทดสอบไปไเรื่อยๆระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าหนึ่งมาไม่ใช่พอปั๊บนําหน้าเขาที่ว่าจะไปชนะพอไปถึงปลายไปถึงปลายทางนี่แผ่วลงวิ่งสู้เขาไม่ได้ก็มีบางที่มา้มาตีนนะ ต, ต้นดีตอนต้นพอถึงต่อไปพอวิ่งไปตะพังจะใช้แบบนี้อ่ะใช้ไม่ได้ใช่แล้วก็ได้ ไปลองทดสอบดูนั่ปฏิบัติมันต้องกล้าลองผิดลองถูกค่ะมเดี๋ยวจะลองดูไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์อืใช่ค่ะอ่าถ้ามันนั่งแล้วนมเอาไม่อยู่ผู้ทอไม่อยู่แต่อรนนี่เอาอยู่ทำก็ทําไม่ใช้มันไป่ะค่ะใช่ไหมค่ะใช้หลักเหตุผลเอาเสงค่ะอาจารย์ การปฏ<ช>ิบัตินี่มันมีมันมีนอกตานาเยอะนะเพราะการปฏิบัติเนี่มันไม่ใช่จะอยู่ในตาําราทุกอย่างที่ปฏิบัติมันยังต้องอยู่ในตำนาหมด อ, มอย่างเรื่องที่ลุงตาเล่าเรื่องของลุงปู่มั่นบอกว่าลุงปู่มั่นเคยเล่า ว, ว่าตอนที่ท่านภาวนาบางทีก็มีพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมโปรดท่านนีหม่มอมราชวงศ์เครืงลิ้นนะท่านเป็นมันเด็ดศึกษารประไตรปดฎกมา ก็บอกในพระแท้ในพระไต่ายปิฎกไม่มีเรื่องราน ห, หรอกนี้หลวงตาท่านเพ้เจอรหรือเปล่าไม่อย่างนั้นเลยหลวงตาก็ตอบว่าอความรู้ที่มีในพระไต่ายปิฎกเหมือนน้าในตูน้ความรู้ที่เราสัมพันธ์ได้ น, นี่เหมือนน้าในมหาสมุทรมันเยอะแยะ ก, กว่าที่จะสามารถใส่ไปในตูน้ในพระไตา่าปิฎกได้ฉันอย่าไปมาคําว่าสิ่งใดที่เราปรากฏจากการปฏิบัติของเรานี้อ่ย ถ้าไม่มีในความตายไป็นอย่า้นมันจะผิดมันไม่ันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเราก็ดูเสียมันผิดมันผิดตรงไหนพิสูจน์ได้สันยิติโกมันทําให้จิตเราสงบได้มันจะไปผิดตรงไหนแล้วปฏิบัติก็เพื่อทําจิตให้เราสงบทําให้กิเลสเราตายใชมไหมใช่ค่ะอ่าดน้นอุบายวิธีการปฏิบัตินั้นถึงมากมายยังไม่ได้ถูกจำกันอยู่ในเฉพาะกรรมฐานสี่สิเท่านั้นเอง ค่ะพระอาจารย์แล้วนอกจากนี้ค่ะพระอาจารย์ช่วงที่นั่งนั่งสมาธิไม่ค่อยได้คือช่วงนั้นที่ไม่สงบอะค่ะปกติถ้านั่งสงบอะค่ะพระอาจารย์ก็จะดูลมแล้วมันจะไม่รู้สึกเจ็บปวดนะคะพระอาจารย์เราจะนั่งได้เรื่อยๆแต่ช่วงที่นั่งแล้วเจ็บเคยดูในที่พระอาจารย์เคยสอนนะคะว่าให้เอาให้ดูเวทนาไปเรื่อยๆค่ะแล้วลองกําหนดมันเป็นไฟก็ได้ค่ะพระอาจารย์ ค่ะ mm hmm> หนูก็ลองค mm ่ะพระอาจารย์คือพอพอตอนหนูลองอะค่ะคือมันมันร้อนมันเจ็บมันร้อนแล้วก็ลองมองไปเรื่อยๆคือให้มันลามไปเรื่อยๆหมายถึงว่าหนูมองไม่เห็นไฟนะคะในช่วงแรกๆค่ะแต่รู้เลยว่ามันเจ็บปวดแล้วก็มันร้อนแล้วแล้วก็ท่องไปว่าไฟแบบว่ามองเป็นไฟไฟไฟไปเรื่อยๆค่ะเขาก็ลามไปเรื่อยๆจนถึงหน้าตักแล้วไปเรื่อยๆมาถึงคือปล่อยให้เขาลามเองค่ะไม่ได้จินตนาการ แต่ความร้อนมันก็มาเรื่อยๆจนถึงตรงกลางตรงกลางแล้วก็พอเริ่มขึ้นหัวค่ะพระอาจารย์หนูก็ท่องไฟไฟไฟไปเรื่อยๆถ้าสมมุติเมื่อไหร่หยุดโฟกัสะคะ่ะหมายหมายความว่าบางทีมีมีหลุดบ้างว่าเออเหมือนเรากำลังมองเ อ, อ้ยถ้าเราถ้าเราไม่บางทีมันมันมันหลุดโฟกัสไฟค่ะไม่ได้จ้องที่ความเจ็บตรงนั้นใจมันจะเต้นนะคะมันเหมือนเรากลัวหรืออะไรสักอย่างหนึง่งแต่ว่าพอตั้ง ต, ติแล้วก็มองไปเรื่อยๆมองมองมอ ง, ม, องมันจะนิ่งแล้วก็เหมือนเรากําลังมองไฟกับมองความเจ็บเฉยๆะคะ่ะ พอตอนนั้นหนูก็เลยตกใจว่าเฮ้ยเรากาลังมองไฟคือดินน้ําลงไฟนี่นาพอตกใจแบบนั้นคือมันก็ออกมาจากสมาธิแต่ว่าเวทนามันเย็นไปหมดเลยค่ะเย็นทั่วตัวไปเลยหนูก็ตั้งสติใหม่ค่ะแล้วก็ลองลองนั่งนั่งสมาธิใหม่เพราะว่าเดี๋ยวเวทนามันก็มาอีกแล้วก็ลองให้มันเป็นไฟไปเรื่อยๆพอช่วงมันก็ลามไปอะค่ะพระอาจารย์พอช่วงหลังๆไฟมัน้าไฟมันจะขึ้นมาเองค่ะพระอาจารย์ ทั้งๆ ท, ที่ตอนแรกหนูแค่มองความร้อนเฉยๆค่ะภาพไฟมันขึ้นมาแล้วเอร่างกายค่ะภาพร่างกายมันก็ขึ้นมาหนูก็มองแล้วก็มองดูความเก็บที่มันลามไปแล้วภาพภาพไฟมันก็ลามไปทั่วร่างกายค่ะทลามไปเรื่อยๆจนทั่วตัวค่ะเ อ, อกระดูกมันจะค่อยๆก่อนลงมาแต่ว่าแล้วเวทนามันหายไปแต่หนูสังเกตทุกครั้งเลยค่ะว่า มีกระดูกอยู่ตัวหนึ่งที่มันไม่หายไปไหนอะค่ะพระอาจารย์มันมันยังขาวสะอาดอยู่หนูก็มองว่าเออทําไมมันก็คือเหมือนได้คําตอบกลับมาว่ามันเป็นกระดูกของเขาประมาณนั้นคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยยอมแพ้ไปว่าเดี๋ยวสงสัยหนูยังอืมสติหนูยังไม่ค่อยดีเลยกะว่าจะกลับไปฝึกฝึกสมถะิก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูมันใหม่คะ่ะพระอาจารย์ มันกลับไปทําไมก็กําลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่ก็ทําต่อไม่ใช่หรอคะให้ให้ันวนก็ดูต่ไปก็กำํำหนดไฟเผามันเลยส่ว น, นไหนที่มันยังไม่ไหม้ก็กําหนดไฟเผามันไปให้หมดให้มันไหมให้หมดให้มันกลายเป็นขี้เถ้าพอร่างกายกลายเป็นขี้เถ้ามันก็ฟกต่ำไปกับพื้นดินนะะมันฟกต่ำไปกับพื้นดินให้ร่างกายหายไปเลยกลายเป็นพื้นดินไปกลายเป็นส่วนหนึ่งของดินที่เรานั่งอยู่ไปเลย ค่ะหนูก็นึกว่าเอา่อยังยังน่าจะยังไม่ค่อยแข็งสมาธิยังไม่ค่อยแข็งแรงหนูก็เลยยังสู้เขาไม่ไดก้ก็ไปนึกมันก็ไม่แข็งแรงก็อย่าไป <c oughs> ก็อย่าไปนึกเสก็ทําของเราต่อไปอ่าค่ะพระอาจารย์ไปนึกมันก็สิมันก็ขาดสติแล้วไปปล่อยให้มันนึกไม่ปล่อย <c oughs> มันคิดไม่ทํางานต่อไม่ไปไม่ไปผังงนของร่างกายต่อไปค่ะพอมีบางแวบขึ้นมาปุ๊บ ม, มันบางทีเขาเขาแอบ แต่ไปคิดนู่นนี่แป๊บหนึ่งอะคะ่ะใจมันจะเต้นจะก็พอกลับมาปุ๊บมันก็จะจะโลง่งเหมือนมองไฟมองอะไรไปทั่วไปได้คะ่ะไม่เป็นอะไระยังค่ะอ่าเอาเพราะสติมันก็ไปเลยค่ะคิดอะไรพอคิดอะไรก็เลิกเลยหยไไม่ถึนฝังค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองใหม่คะ่ะพระอาจารย์อืมค่ะโอเค ค่ะไม่มีอะไรละค่ะอาจารย์การดีไหมเท่าที่ทํามาดีไหมดีค่ะพอมันไม่พอมันไม่ถึงมันไม่ไม่หมดแต่ว่ามันก็หายไปเลยค่ะพอมันไม่ถึงหัวปุ๊บมันก็ไม่เจ็บอะค่ะมันไม่ร้อนมันไม่มีอะไรเลยดีค่ะอาจารย์พอเรีรู้จากวิธีที่จะต่อสู้กับความเจ็บของร่างกายเนีค่ะยังกลัวความเจ็บเยอะปะไม่ไม่แน่ไม่กล้าตอบค่ะไม่แน่ใจแต่จริงจริก็ มองได้ค่ะเพราะช่วงหลังๆที่ฝึกนั่งสมาธิค่ะเวลาที่ต้องฉีดยาต้องอะไรเงี้ยค่ะก็แค่รู้ว่ามันเจ็บประมาณนี้ก็มองได้รับได้ค่ะพระาอาจารย์แต่ว่าก็พูดไม่เต็มปากเหมือนกันค่ะก็ยางกล้ากลัวกลัวอยู่ค่ะก็ทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆให้มันชินทำอะไรมันก็นจะเฉยๆไม่รู้สึกกวาดกลัวอะไรอะ๋ อ, อใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่มันเผาถ้าถ้าไปคิดอะไรแวบนึงใจมันสั่นค่ะ หนูก็ต้องโฟกัสที่ภาพไฟต่อแล้วก็โฟกัสที่ความร้อนต่ อ, อเขาถึงเขาถึงจะมองเฉยๆได้ค่ะมันกับใช้ไฟเป็นเป็นอารมณ์ค่ะใช่ค่ะเราเรียกเตโชกสินยังไงนะติงโชกศิค่ะก็มีผู้หญิงคนในก่กเขาบอกเขาก็ใช้วิธีนี้เ็าเรียกเตโชวิปัสสนาอะไรบ้างอ๋อค่ะอาจารย์ เดี๋ยวจะลองฝึกตอบไปเรื่อยๆค่ะป้าจเขาวันนี้ต้องทําบ่อยๆทําเยอะๆมันจะไม่ต้องมีประสบการณ์ไม่ใช่ทำคนเดียวแล้วก็มามาสรุปเอาน้องทําบ่อยๆน้องทำนานค่ะได้ค่ะเพราะฉะนั้นฝึกแค่ช่วงห้าหกวันเองค่ะป้าจ้าแล้วก็กว่าจะเจ็บมันก็ต้องนั่งนานค่ะค่ะนั่งนานหน่อยค่ะค่ะ โอเคไม่เป็นไรอย่างนั้นแล้วก็พอจะรู้ทางรูอวิธีต่อสู้กับความเจ็บปวดของร่างกายไนดะ้เกิดไปมีโรคอะไรมีความเจ็บปวดจากโรคภัยแค่เจ็บก็จะได้รู้จักวิธีจัดการกับมันได้ไม่ต้องทรมานใจนกับความเจ็บของร่างกายเป้าหมายก็คือต้องการให้ใจไม่ไม่ทรมานไม่ทุกข์กับมันให้รับกับมันอยู่กับมันให้ได้ อย่าไปอยากให้มันหาอย่าไปอยากนี้อย่างมันมันจะทําให้เกิดความตอมานใจขึ้นมาเป็นวิภาวะตัณหาพระอาจารยัไหมใช่พระอาจารย์มีบางแวบที่เขายังไม่ไม่ยอมเสร็จก็แก่ไปใจตันเหมือนกันค่ะก็ต้องแบบค่ะอืมก็จำว่าพักวันต่อไปก็มาฝ่ายพักวันต่อไป แล้วก็โฟกัสมองที่เขาอย่างเดียวไปเรื่อยใช่ไหมคะมองไว้จุดที่มันเจ็บอ่ะที่มันเจ็บตรงไหนก็ตรงนั้นเป็นจุดที่ไฟกำมาให้ไฟลุกขึ้นมาค่ะได้ค่ะเวลามันไม่เจ็บมันทําไม่ได้นะมัน ม, มันมัไม่มีอะไรต้องมีความเจ็บนะต้องทําไปเรื่อยๆเนี่ยหละลองฝึกไปเรื่อยๆค่ะได้ เรหมายก็คือให้เราสามารถอยู่กับความเจ็บของร่างกายนะไม่เดือดร้อยเพราะตัวที่เจ็บไม่ใช่เราเท่าไหร่ตัวที่เจ็บคือร่างกายเราเม็นเพียงแต่ตัวดูวนั่นเองผู้ดูนั่นเองกับทนดูไม่ได้มันดูหนังผีต้อต้องหลับตาอู้กลัวเนี่ยเาผีมันจะกระโดดมันดักจอมาบีบคอรเราองค่ะจริง้วยนะโอเคนะค่ะได้ค่ะไม่มีคําถามแล้วคะ่ะ โ okay. อเคสา่าคุณอนันต์เจริกับมาวิชาการจากคุณอาจารย์วันนี้มีคำถามอยากจะได้ความรู้จากพระอาจารย์ค่ะพอดีว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีวททดสอบและมีแต่เรื่องทางโลกปวดหัวคือมีโอกาสไปจะต้องเหมือนกับว่าเราจะต้องไปติดต่องานกับคนคนนึงซึ่งตอนหลังมาพบว่า คนนี้เหมือนเหมือนคนในในรอบข้างาก็บอกว่าเออไม่ไม่ค่อยมีศีลธรรมเท่าไหร่นะเหมือนไปรังแกคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็พอทราบก็เนื่องจากว่าพอคุยทางธุรกิจก็จบกันไม่ได้แล้วโบกับเขาเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยมีศีลมีธรรมอย่างที่คนมาบอกเราก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นก็ก็ไ ม, ไม่ไม่ทําธุรกิจกันต่ออันนี้ก็มีคนบอกว่าเหมือนโยมอ่ะไม่ยอมให้อภัยเขา ไม่มีอภัยทานให้เขากับการที่ไม่ยอมทําธุรกิจเพราะเขาแบบเหมือนไม่มีศีลมีธรรมยงก็ไอการที่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันให้อภัยก็ให้อภัยได้ไม่โกรธเขามาอก็ไม่ได้โกรธอะไรแต่ว่าออแต่ไม่ทําธุรกิจเพราะเหมือนเขาเป็นเหมือนไฟแล้วก็ไม่อยากจะไปอยู่ใกล้ไฟเดี๋ยวไฟเผาคือยงคิดอย่างนั้นว่าเออเขาเป็นเป็นไฟอ่ะคือเขาไม่ปลอดภัอันตรายอ่ะเขาเป็นอันตรายไม่รู้ว่าจะจะเผาเราเมื่อไหร่ ใช่มันอยู่อยู่ใกล้งูเห่าไงอย่ากจะเข้าเข้าไปอยู่ใกล้งูเห่านะก็ไม่อยากไงใช่ฮแต่แล้วก็ไม่กดแค้งกดเทิงงูเห่ามันคิดจะไปเอาใครมาจับมาฆ่ามันใช่ไหมใช่ก็ปล่อยมันอยู่ตามสภาพของเขาไปส่างฝ่ายต่างอยู่กันไปใช่โยมก็พอมันก็พูดพอก็เชื่อไปเราใจเราก็ปัญญาไม่ทันมันก็เลยหลงตาหลงเชื่อเขาโยงก็ไม่ได้ใหญ่จะไปไปไปเอ่อ เถียงเขาว่ามันคนละเรื่องกันนะไม่ใช่อพยาทานโยมก็เอ้ใช่ก็ไม่ต้องเถียงกันเพียนาเขาพูดแล้วก็เออเออไปก็จบออ <c oughs> ใชแ่แต่เรายังว่าเรายังเลยสงสัยอยู่ก็สแสดงว่าเรายังไม่มั่นใจจริงๆเลยจะได้เอาความรู้ตรงเนี้ยไปให้คนอื่นรับทราบด้วยเพราะทุกคนก็เอ๊หรือว่าที่พี่ผ่านไม่ไม่ให้อพยาทานจริงเขาบอกมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันแต่เราพูดเราต้องเหมือนเราไม่ใช่พระ เดี๋ยวคนก็จะบอกว่าไม่ได้รู้ซะหน่อยไม่ได้รู้จริงซะหน่อยมาบอกได้ยังไงก็เลยเดี๋ยวมันไม่ต้องก็ไม่ต้องบอกทังหมดเรืลยเขาไม่เชื่อเราเราไปเหนื่อยไปบอกก็ทําไมก็จเขาบอกคนนี้ก็เชื่อแล้วนี่คนก็ไม่เชื่อก็จบอันนี้ก็ชินส่วนก็ยังไม่อยากให้เขาเชื่อนี่มันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเลองก็คิดว่าเอิงจริงๆมันก็น่าจะคนละเรื่องกันอยู่แล้วนะเราก็แค่ไม่อยากจะอย่างที่ท่านว่าคือไม่อยากยุ่งกับงูเห่าอ่ะ แเราก็ไม่ได้จะไปทําอะไรเขาก็าไม่น่าจะกันใช่ใช่หันนี้ก็ ม, ม, ม, มีมีมีคําถามมีการบ้านประมาณนี้มีบททดสอบประมาณนี้เองต้องคิดให้รอบคอใช่แล้ว ร, รูที่ใจของเราเราทําไปเพราะอะไรเพราะความอยากหรือเปล่าไรืออะไรห น, นี่ยอบอกทงถ้าเร า, เราไม่มีความอยากใครก็จะพูดเลยรเขาจะเชื่อไม่เชื่อเราก็ไม่สนใจก็เลี้ยงของเขาไป ความใหญ่ใหญ่ให right. ้ก็เชื่อให้ก็คิดเหมือนเราเพราะเขาคิดเหมือนเราเราก็เลยไม่สบายใจให้มันมเก็เนี่ยมีอันนี้ก็กก็เท่านั้นเองแต่ว่าก็พอผ่านมาก็คิดว่าเดี๋ยวเรามามาเรียนกรบเรียนถามพระอาจารย์ดูจะได้เป็นความรู้ประดับจิตประดับใจต้องใช้ปัญญาเราสิเราจะได้เก่งทุกครั้งก็ลงมาถามอยู่เรื่อยถามแล้วมันก็ไม่เป็นปัญญาของเรา ถ้เาเราคิดกบโต้คิดได้คําตอบมันก็เป็นของเราต่อไปมีคําถามอะไรเราก็ถามถามตัวเราเองได้อไม่ต้องไปถามคนอื่นพรูุทธเจ้าท่าถามใครหรือเ่าถามแล้วไม่มีใครตอบได้ท่านก็รักษาคําตอบในตัวท่านเองอืใช่ค่ะอาจารย์ใช่ไหมค่ะ อ, อ, อืมไม่เป็นไรอย่างน้อยอันนี้ก็เหมือนเออเอาอะไรนะคําตอบเรามา ให้กว่าอาจารย์ใหญ่ตรวจว่าเราคิดก็ได้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันใช่ใ่อาจารย์มีมีเท่านี้ค่ะอาจารย์ที่อาทิตย์นี้ส่วนก็ปฏิบัติอยู่ตลอดคร่บอาจารย์อ่าสาวถทว่าอ่านามัตสการค่ะอ่าไปที่ญี่ปุ่นวาเล่นเกียวโตวาเล่นได้ยินไหมครับหลวงพ่อครับนามัตสการครับไมีรู้หรือเปล่าก็ ก็ก็มาถักทายครับก็ก็ยิ่งฟังก็เออมันก็ปีหนึ่งผ่านไปเร็วก็โอเคก็ไม่อยากไม่อยากโดนอะไรนะไม่อยากคือเป็นหมูขึ้นเขียงครับหลวงพ่อ แ, แค่นั้นนะครับก็จะพยายามมากขึ้นอืมก็นับสู้เลยเวลาเขาจับเราขึ้นเขียงเขาต้องต่อสู้อะไรหมูอ้วนขึ้นเขียงเขาเลี้ยงอาหารปรีไม่ต้องทํามาหากินเนีอาหารมาป้อนถึงปากมีที่นอนฟรีแต่เวลาขึ้นเขียงนี่แก้ตัว อืเราอย่าไปลงตามตามความอยากความอยากมันก็หล่อให้เราให้เอาอยู่ดีกินดีอิมมีพี่มันถึงเวลาเข้าว่าจับไปเชื่อนนะครับก็เฮ้ที่หลวงพ่อบอกว่าเอ่อร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าแบบนี้แบบแต่คงก็ไปแบบมันกิเลสผมเมื่อกีบอกอ๋อก็เหมือนรถเราไม่ใช่ของเราแต่เวลารถโดนขีดข่วนนิดหน่อยโอไม่นะรถเป็นรอยมันก็จะอารมณ์ประมาณนั้นครับหลวงพ่ก็เราอย่าไป ไปยึดติดก pues ับมันเลยมันจะขีดข่วนก็เป็นสิ่งเราห้ามได้หรือเปล่าก็ก็ก็เหมือนคนเหอของใหม่ครับก็แบบอนุอยากยังอยากจะให้มันใหม่อยู่ใช่ไหนในมือมันเป็นอนิจจามันจะใหม่ไม่ได้ไงมันก็ต้องเก่าครับไม่ยามรับอนิจจามิยาอมรับอนัตตามันก็เลยทุกขังไปึันครับก็เห็นแบบความทุกขังเลยควายึดมั่นถือมั่นของเราแต่มันก็ ให้แก้เรไม่แก้เรนไม่สอนตนเองอยู่เรื่อยเรื่ยเราไม่มีอะไรเป็นของเราตัว่างเป็นของชั่วคราวจะจ่ายเราเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราต้องพร้อมที่จะมันแจกเราไปได้ทุกเมื่อเรือให้มันเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อซื้อรถใหม่มาแล้วใช้ในวันสองวันก็เสียอย่างนี้ก็ก็เราทําใจครับครับแล้วก็ ช่วงนี้มีคนเริ่มแชร์โพสต์หลวงพอ่อเลื่อนปีชงอีกแล้วครับเพราะมัอยู่มีกระแสปีชงอะไรแบบโพสต์หลวงพ่อเมื่อปีนู้นที่หลวงพ่อเคยพูดก็อยู่ๆเขาก็แชร์หลวงพ่อเยอะเลยครับตอนนี้ อ, อถ้ามันคิดตรงไหนมันก็จะพอว่าตรงนั้นครับครับก็แล้วก็มีชงมีชงมันบอกตัวมันเองว่ามันเป็นปีชงหรืเปล่าเราเคยไปถามมันมาให้เป็นนี่ปีชงหรือเปล่าวะเราไปว่ามันเป็นปีชงเองใช่ไหม ผมชมกาแฟอย่างเดียวเขาลงตันโอ้โหมันก็มี24ชั่วโมอง 2,365 วันต่อปีเหมือนกันกับทุกปี <ฮะ S 2> มีไปปรุงแต่งไปว่ากันไปสม้มอินตนากาคไปเชื่อเรื่มงอะไรเราไม่เชื่ อ, อก็อย่าไปลบหลู่เขาก็ลวกันไปเข้าไปอย่าไปว่ามาหลอกคนโย่เ ง, ง, งี้มันก็ไม่ดีไปพูดลบหลู่เนาะครับ ใครอยากจะเชื่อก็เชื่อครับไม่อยากเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อเรื่องอเรื่องเรื่องส่วนตัวเชื่อพระเจ้าครับ อ, อืมวันนี้ไม่มีอะไรครับหลวงพ่อก็ขอให้หลวงพ่อสุกว่าแข็งแรงเดี๋ยวกลับเมืองไทยไปพัทยามอะไรก็อี ก, กอีกกำลังใหญ่เลยครับเชื่อกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเนี่ยของแท้ของจริงศักดิ์สิทธิธ์ที่สุด ทำดีไม่ว่าจะปีไหนก็ดีทั้งนั้นปีชงไม่ชงลองทําความดีดูมันจะมันจะทําให้เราชั่วได้ไงใช่ออไหมใช่ครัจริงด้วยเราที่ฟังสัปดาห์ที่แล้วเรื่องหนึ่งที่อะไรนะถ้าแบบหนีไปพันธะพานไม่ต้องรับกรรมเลยอย่างงี้แต่ตอนนี้แบบเรื่องรับกรรมไม่รับกรรมเรามองอีกแน่เหมือนเราติดหนี้เขาเราจะปฏิเสธหนี้คือแบบเราก็ไม่ได้สนใจในมุมนั้นก็เหมือนสนใจว่าถ้าอะไรจะเกิดกับเราเป็นสิ่งไม่ดีก็มองว่าเป็นกรรมที่เราเคยทํามาไว้แล้วเราก็จะไม่เสียใจที่จะรับมัน ได้เป็นไม่บาปกรรมของเรามาแต่พระพุทธเจ้าเป็อย่างนองรับวิบากมีคนพยายามสามฆ่ามันสามฆ่ามันไม่ได้ยังครับแต่ก็อืมใช่ครับก็โอเแต่ใจของพระเจ้าไม่เดือดร้อนใจขอพระเจ้าปล่อยวางร่างกายแล้วมันจะตายเมื่อไหร่ครับพร้อมเสมอครับโอเคนะพันธุ์นี้หน่อยนไปดิสันโดรกับคุณยาย อาทิตย์นามาเยี่ยมทั้งที่ปุฏิเลยนะตอนนี้ก็มาทั้งที่กุฏิตอนนี้เราก็าอยู่ที่ปุฏิอยูน่นะขอบคุณจันก็วันนั้นไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ตั้งใจอะไรเพราะจับบนพอดีว่ามันวันนั้นเป็นถ้าจำไม่ผิดเป็นวันพฤ ห, หัสใช่ไหมแล้วก็คืนวันเมื่อคืนวันพุธ เข้าเข้าสูงไม่ไม่ได้ไม่ทันเขาไม่ทันแล้วเราเปิดทีวีมายายเปิดทีวีมาตอนเช้าทีวีเขาขึ้นว่าวันนี้วันพระก็เลยก็เลยขนกันไมให้ทันบ่ายสองครับผมก็ดีเรายัีได้ถึงอยู่นะคะอืม ปัญญาแข็งแงนะหายเจ็บไข้แล้วนะะก็ดีขึ้นค่ะอืก็หายหายแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยดีขึ้นค่ะครับพระอาจารย์วันนี้ผมก็มาส่งกันบ้านอาจารย์เช่นเคยครับอืมแต่ขออนุญาตเริ่มด้วยอาการ32ที่พระอาจารย์บอกว่าอย่าทิ้งไม่ต้องมาท่องให้ฟัพอแล้วคำเดียวก็พอนะ้วโอเคครับอาจารย์แล้วก็จะมาขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ว่าตั้ง แต่กลับไปทํำในการบ้านพระจารย์เนี่ยชีวิตผมมันดีขึ้นเยอะมากเลยโดยเฉพาะการบ้านล่าสุดเรื่องไม่เสือกไม่เสือกนะใออครับผมก็จริงๆพระจาย์เคยบอกผมไม่นานมากแล้วแล้วเมื่อพระจันพูดอีกรอบหนึ่งผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจะเรียนพระจารย์ว่าโอ้ชีวิตช่วงนี้นอกจากพร้อมมีสีแล้วเนี่ยแล้วเราสันโดษอยู่กับตัวเองมากขึ้นน่ะ แล้วเราไม่เสือกเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่ดีมาบ้างมากเลยครับมันใช่ใช่ครับผมมันมันเหมือนมันไม่ต้องไปยุ่งกับคนซึ่งมันผมว่ามันมีความสุขกว่าการที่เราบอกว่าเรามีเพื่อนใจอืมดีแล้วล่ะพยามมีได้เพื่อนแต่เมื่อเมืสอเวลาจะเกี่ยวกันเยวเกี่ยวข้องกันก็ต้องมีเหตุมีผลมี ไม่มีเรื่องราปล่อยเขาไปต่างไทยต่างคนต่างอยู่กันไปถ้ามีในผลจะต้องมาพบปะกันทำเพื่ออะไร่วกันก็ทำกันไปนั่นเองคุณแม่คุณแม่จะคุณแม่จะชอบแอบถามบอกว่าเป็นเหมือนคุณแม่จะเป็นห่วงครับพระอาจารย์ว่าผมไม่มีเพื่อนดูเหมือนจะแบบไม่สนิทกับใครเลยคือไม่ได้ไม่เป็นเพื่อนนะแต่ว่าเหมือนไม่สนิทกับใครอยู่แต่กับตัวเอง แม่ก็กลัวว่าเดี๋ยวยะมันจะกลายเป็นคนแบบโดดเดี่ยวเดี๋ยวจะอะไรอะไรแก็ผมสั น, นบบโดษได้ทำไงสันโดษอยู่คนเดียวนักปฏิบัติธรรมนี่เป็นอยู่กับยายบ้าน <c oughs> เราก็ไม่มีเพื่อนล้วก็อยู่ของเราตางพังของเราตลอดนอกจากเขามาหาเราแต่เราไม่เคยไปหาใคร เอาความสงบเป็นเพื่อนของเราเลยเป่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดพอใจสงบแล้วมีความ ส, มามสมุขไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งสิน้นอืท<ๆ>ี่ที่คนมีเพื่อนไงพราะยังต้องการอะไรจากเขาอยู่เห็น ไ, ไ, ไหมแต่ถ้าเราไม่ไม่ต้องการอะไรจากใครเราไปมีเพื่อนให้เสียเวลาทําไมให้เหนื่อยทำไมเห็น ไ, ไหม อ เ, เอาความสงบเนี่ยเป็นเพื่อนดีที่สุดนะพยายามทำใจให้สันโดษสงบแล้วมันก็จะสันโดษหนึ่งยินดีตามเมตดามเกิดอาจารย์ก็ผมมีความสุขกับชื่อใหม่ของผมตั้งแต่เปลี่ยนเป็นชื่อนี้มาชีวิตมันดูง่ายๆสบายสบยชีวิตมีความสุขแบบเดิมมากแต่ว่าคือชื่อเราตอนแรกคือหน้าโมถูกไหมครับ มันก็มีความสุกอยู่แล้วเพราะว่าเอามีก็มีความสุขตั้งแต่ต้นแต่ว่าพอมาเป็นสันโดษมันเหมือนเตือนเราอีกขั้นหนึ่งมันทําให้เราเหมือนไม่ประมาทไปอยู่กับโลกมากอย่าอีกอีกอีกในหนึ่งก็คืออย่าเสือกมาก อ, าอ่าเนี่ยดีมากคํามต่อไปนั้นอย่าไปยุ่งกับใครครับอาจารย์โอเคแต่อีกไหนต้องติดติดเป็นสโลแก คุณยายก็สุขภาพแข็งแรงนะอยู่ไปเกันบร้อยปีขอบคุณค่ะภาษาไม่ต้องเยอะถ่ายก็่าไปที่คุณสุภาพร์ Texas ทีคุณสุภาตร์กลาบนามัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ มีอะไรไหมอ๋อไม่มีเจ้าค่ะลูกของมาร่วมฟังเจ้าค่ะไม่มีเจ้าค่ะปฏิบัติต่อเดิมเจ้าค่ะอ่างนไปที่ที่เกียวอ่าที่โกเบเนะี่ยคุณยุ๊ยุ๊โกเบกลับในวัฒการพระอาจารย์เจ้าค่ะอวันนี้หนูหนมีคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์มามาเลยการปฏิบัตินะคะพระอาจารย์คือ ช่วงก่อนปีใหม่นะคะหนู no. หนูไม่รู้เป็นอะไรก็คือหนูเข้าสมาธิแล้วนั่งสมาธิแล้วแบบหลังจากนั้นมันมันเครียดอะคะ่ะคือรู้สึกตัวเองเลยว่าตัวเองเครียดเครียดชนิดที่ว่าบางทีอยู่เฉยๆแล้วรู้สึกว่ากรามมันกัดมันมันมันกัดกันจนเหมือนรู้สึกเครียดอะค่ะพระ อ, อาจารย์การปฏิบัติ มันทําให้เครียดได้เหรอเหรอคะพระอาจารย์ไม่หรอกการปฏิบัติไม่เครียดการไม่มีสติมันทําให้เราเครียดแสดงว่าหนูไม่มีสติใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่มีสติลืมพุทโธพุทโธหายไปหมดเลยออืใช่ไหมมีพุทโธอยู่ก็แบบไม่มีเลยใช่ไหมมันค่ะมันหายไปค่ะพระอาจารย์อพอเป็นเครียดก็ต้องเรียนรู้แร้วพุทโธหายแล้วต้องเรียนหนึ่พุทโธกลับมาเจ้าค่ะ คือถ้าพุทโธหานี้คือพยายามรู้สึกเตือนแล้วก็ต้องพุทโธกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมคะมพยายามเป็นใจกลับมาให้ให้นิ่งให้สงบแล้วมันก็จะหายเครียดเองอือเจ้าค่ะโอเคเขาปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งเรื่องนะั้นเรื่องนี้มันก็เลยเครียดขึ้นมาพอหยุดความคิดปรุงแต่งได้ความเครียดก็จะหายไปเจ้าค่ะหนูหนูจะเอาไปปฏิบัติใหม่คะ่ะเจ้าค่ะ เพรามบางเหมือนหนูนเคยได้ยินที่ไหนว่าพอพุทธทวาหายก็ไม่ต้องไปสนใจนั่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้อ ย, อยนันไม่ใช่ใช่ไหมค่ะเคยได้ได้ยินแบบใครเขาว่าอะไรก็เชื่อเข้าไปหมดเลยแล้วดูเป็นยังแล้วผลเป็นงไงพอพุทธทวาหายแล้วปล่อยนั่นดีไม่ดีมไม่ดีเจ้าค่ะ ม, มันเครียดมันค่ะต่อไปก็อย่าไปเชื่อเขานะเจ้าค่ะจะพยายามดึงหายห้ามหายเจ้าค่ะอาจจะไปฝึกใหม่เจ้าค่ะ แล้วค่ะวันนี้หนูมีเท่านี้แล้๋ยวจะข่าวพระอาจารย์อค่ราวหน้าลองมาเล่าให้ฟังดูคราวหน้าลองมาเล่าดูหายเคียดหรยอยังเจ้าค่ะจะลองลองใหม่เจ้าค่ะอลองพยง่าอยาอไมพูดโธพูดโธไปอย่าไปทําย่างน้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่มีความจาเป็นจะต้องคิดอะไรก็พูดโธพูดโธไปดีกว่าเจ้าค่ะอจะน้อมนาไปปฏิบัติเจ้าค่ะสาธุขอบคุณเจ้าค่ะ คุณภาสนะคุณหมอภาสนะเชิญก็ทมกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ก็ <Yeah. S 2> ค่ะก็ตอนนี้รู้สึกว่าอยู่ตรงไหนก็ก็ก็สบายนะคะพระอาจารย์ก็รู้สึกดีเพราะว่ามันเริ่มปล่อยได้ไง่ายขึ้นเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ก็ยังไม่ได้มีความอยากอะไร <laughs> <laughs> แล้วแล้วก็งานเงินอะไรก็ปล่อยได้หมดแล้วค่ะอาจารย์ปีปีนี้ก็สบายสบายแล้วแล้วก็ที่บ้านก็เริ่มแบบเป็นวัดแล้วค่ะตอนนี้ก็ปีนี้ปีชงต้องสบายสบาย๋ย่าไปเครียวจันเค่ะสบายสบายเลยค่ะใครที่ว่าปีชงไม่ดีแล้วว่าปีชงดีถ้าไในปฏิบัติทำมันดีทั้งนั้นอ่ะจะปีอะไรก็ดีนั้วนะค่ะไม่มีวันไม่มีเดือนเลยค่ะอาจารย์ทำมาเรื่อยเรื่อยเลยด้วยซึ่งกจะไปแต่ว่า แลก็ทีวีอะไรก็ออกไปเลยนะคะพี่หนุ่มก็ยอมแล้วตอนแรกอันที่ฟังพระอาจารย์ตั้งแต่เมื่อสามปีที่แล้วก็อยากจะเอาทีวีออกจากบ้านเลพี่หนุ่มก็ยังไม่ยอมตอนนี้ก็ยอมแหละไม่มีทีวีแล้เริ่มไปติดผ้าแหละแต่มีมือมือถือมาดูแทนอ๋อมือถือก็อยู่นี้เพื่อนยังถามเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้อ่านแนละ้วพระอาจารย์มือถือ <c oughs> พอไปวัดไปไปวัดเนี่ย่ะกลับมาแล้วมันติดนิสัยที่ไม่ดูมือถือพระอาจารย์ดูน้อยลงไปเยอะเลยค่ะ แล้วก็พวกอะไรขาวที่พูดเราไม่ดูแล้วเขาจะไม่เราจะไม่ดูแต่แฟนเขาอาจจะดูก็ได้ไม่มีทีวีดูวันี้ก็เลยต้องดูยู u ูบแทนนเองแฟนเขาสินห้าอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็ยังสินห้าก็ค่อยๆอัดสินแปดสองวันแล้วนะคะวันจันทร์กับวันพุธพระอาจารย์ตอนนี้เริ่มสินแปดกินข้าวสองมือค่ะก็ค่อยๆเริ่มก่อนบอกเขาว่าเหมือนตัวเองตอนนั้นก็เริ่มสองมือก่อนแล้วพอครบเดือนหนึ่งครบได้ทุกวันแล้วค่อยมาเหลือมือเดียวตอนนี้เขาเอาสองมือกล้วนะพระอาจารย์สินแปดสองวัน ไม่ไปเป็นไรไม่กินหลังเที่ยงวันก็แล้วกันไม่กินข้าวเย็นก็ดีมากเลยค่ะอาจารย์ค่อยบบค่อยแบบค่อยค่อยมามากันทางมากันเรื่อยเืยดีเลยคุณพ่อก็เตรีมตัวเพราะว่าเดือนเดือนี้ไม่อาจารย์ยังไม่ได้นะแต่ว่าก็พาไปเดี๋ยววันศุกร์ก็จะพาไปใส่บาตรนะคะวันที่พระอาจารย์มีที่ศรีราชขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์อืไม่มีคำถามท่านเชียงใหมเชียงใม่คุณเอกเชียงใหม่ง่าย การับราชการพรอาจารย์ครับบริษัทเชื่อว่าก็ไปได้ในสัตยชีครับแต่ว่าถึงสินแปดอยู่ครับวันวันพระคับพระอาจารย์ครับโอเคนี่ครับผมเอาเฉพาะวันพระวันเดียวเส็นแปดครับผมเฉพาะวันพระวันเดียวนะมันหนึ่เอาแค่สินห้าครับก็ก็ปกติก็ไม่ไม่ทานข้ายินอยู่แล้วครับอาจารย์ครับช่วงเย็นก็ไม่ไม่ทานอยู่แล้วสินหกเนี่ยสามเป็นสินหกนะครับ มีแต่ว่านอนยังนอนมันฟูกอยู่<อ>ก็ครับผมก็ก็ฟูกก็ก็นอนดูฟูกอยู่เขาพอาจารย์คร<อ>ับแต่ว่ามันก็แข็งอยู่บางครับแต่ว่าปฏิบัตินี่ปฏิบัติทุกวันนะครับพระอาจารย์ ส, สีงสิงค์ก็สามยังนอนหลับกับแผนอยู่นอนกับแผ่นอยู่ก็ก็มีมีอยู่ฮะเป็นเป็นบางบางครั้งครับอาจารย์นะครับทําหน้าที่อยู่ครับทาหน้าที่ไปอยู่ครับ แต่แต่ถ้ามันมันมันบ่อยไปก็พิจนาเหมือนกันครนะพิจนาอาศัยอยู่กันนะครับกันเบะเบะมันไม่ฟังนะดูดูโครงกระดูกบ้างดูโครงกระดูกเราโครงกระดูกเขาด้วยครับของเราคงเขาด้วยครับครับผมวันนี้วันนี้ไม่ไม่มีคําถามมาเข้ามากราบพระอาจารย์ครับช่วงไม่ได้เข้ามาก็ก็ฟังพระอาจารย์อยู่ข้างนอกครับอาจารย์คแต่ผมปฏิบัติทุกวันนะครับอาจารย์อืก็ ก็สงบอยู่ครับอาจารย์ครับครับผมครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับข้าวมะกะพระอาจารย์รูปผ่อนฟังธรรมครับอาจารย์ขอให้ท่าถ่านอาจารย์แข็งแรงครับผมสาธุจ้าสาธุครับผมที่คุณนิสาเอวานิสาเป็นยังไงบ้างคุณนิสากลับนวัตการค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมครับพระอาจารย์ได้ยิน คิดว่าอย่ว่าอยู่อยู่ที่ศาลาบนเขาสิเห็นภาพมันน่านั้นใช่ค่ะลูกชอบศาลานี้ค่ะลูกชอบเอามาเป็นแบ็กกราวน์ค่ะลูกชอบเอศาลาบนเขารู้สึกมันล่มรื่นค่ะอาจารย์เวลาเห็นภาพพระอาจารย์นั่งแล้วก็มีแบบต้นไม้ข้างหลังอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกล่มรื่นมากอะค่ะพระอาจารย์ไม่ได้ย้อนนี้ไม่ได้อยู่บนเขาแล้วแฉะแล้ะอยู่ไม่ไหว แล้วดังสาราก็ยังอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้ใช้เลยอ๋อค่ะก็ยังมีพระมีมีมีพระยังมีอยู่มีพระพระอยู่บนเขา่ายังมีอยู่สิบกว่ารูปด้วยกันอยู่บนเขาอ๋อค่ะพระอาจารย์ก็ก็ยังนึกถึงเสียดายอย่างกันค่ะอาจารย์ก็ไม่ไม่มีคําถามพะพระอาจารย์มาร่วมรับฟัง่าพระอาจารย์ ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ค่ะขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะสาธุค่ะเปยินดีที่แคนซัสอธิเทล่าไม่ได้เข้ามาใช่ไหมไม่เข้ามาจำไม่ได้เข้ามาค่ะท่านอาจารย์เดวิดต้อาปรกาศอาการแล้วก็บอกท่านอาจารย์วันพุธเอออธิเทล่าไม่ได้เข้าการโทษทีค่ะท่านอาจารย์หน่สีไม่มีค่ะบอกเรียนท่านอาจารย์ไว้ะค่ะว่าอยู่บนเครื่องอะค่ะ วันพุเดินทเดินทางไปไหนไปอเมริกานะอเมริกาค่ะวันพุดที่แล้วอค่ะก็กลับมาเพิ่งเห็นท่ามอาจารย์ค่ะรีอยู่บนเครื่องอะค่ะท่านอาจารย์มันพุธไปเยี่ยมท่านไว้ค่ะเยี่ยมท่านอาจารย์ไว้ก็กลับมากลับมาก็โชคดีอะค่ะท่านอาจารย์เอทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเพราะว่าสองวันให้หลังก็ กลับมาก่อนพอดีพายุหิมะมันเข้าอ่ะคะ่ะท่านอาจารย์อลูกก็เลยแบบนไปนแรงมากเนี่ยก็ออกไปข้างนอกไม่ได้ น, น, น, น, ดดน ะ, ะช่วงนี้จะนอนป็นหมดนะค่ะช่วงนี้ถนนมันมีหิมคะค่ะท่านอาจารย์แล้วก็อาทิตย์หน้ายิ่งหนักก็ใหญ่อาทิตย์หน้านี่อากาศไม่ดีเริ่มมาค่ะลบยี่สิบสองลบจแจ้งไวค้ค่ะท่านอาจารย์าลูกที่สองพายุลูกที่สองนะพายุหิะค่ะ พอดีได้กลับมากรอดนะคะท่านการย์ก็โชคดีไปอะค่ะท่านอาจารย์<ม>ก็เดวิดก็ฝากฟามคิดถึงท่านอาจารย์แล้วก็บอดโชคได้ เ, เหมือนเดิมะค่ะท่าอาจารย์โอเคแล้วอ๋อไม่มีไ ม, ม่มีอะไรช่วงที่อยู่ที่เออ่ฝ ร, รั่งเศสอยู่กับครอบครัวเ ข, ข, ขาก็เ อ, อ่อเราก็ต้องเ อ, อยืดหยุ่นนะคะการท่านอาจารย์<ม>พอกลับมาที่วันแรกเวลานั่งแล้วมันแบบมัน มันมันเงี่ยมแล้วมันสงบได้ดีค่ะท่านอาจารย์การอยู่กับคนนี้เยอะแล้วมันมันมันไม่ค่อยได้อ ม, มันเหมือนการทานอาหารพอมีเวลาได้กินก็เลยกินใหญ่เลยพรอยู่ที่นู่นนี่ไหมท่านอาจารย์แบบใช้เหมือนอลักษณะเหมือนแบบสะสมแต้มอะค่ะแบ บ, บอพอมีเวลาก็ขึ้นมาสะสมแต้มพอแม่เขาเงียบะค่ะพอแม่เขาเงีบเราก็จะบอกเขาว่าแม่เงีบสิ แบบให้ห้เขาแบบพักกระคาเวลาทานข้าวกลงวันเสร็จนะค่ะ <building. S 1> พอเขางิบเราก็ขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะนานๆเราจะอยู่กับเขาทิ้งเราก็เลยแบบก็ยืดหยุ่นกับเขาค่ะท่านอาจารย์เดี๋ยวเขาจะหาว่าอะไรของมันนะไม่ยอมไอ้นี่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยู่กับเขาอะค่ะท่านอาจารย์แล้วก็สะสมแต้มเอาแล้วก็มามที่นี่ก็สงบดีค่ะท่านอาจารย์อืิงจ้ ลูกขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์ะะะนะสานุสคุณพลอยพิศชาพิาพิศพิชาอ่าเปิดไมได้ยังต้องก่อนไมปก่อนปูไมยังไม่มีใครบอกให้ Ask Daniel งานสการขถาอาจานย์อ่าอยู่ที่ไหนจ้าแม่เพลพาค่ะไม่ได้เข้ามาแล้วมแม่ค่เนะ แม่เผดภาอ่าแม่เจอนานๆนะอ่าค่ะอ่านานนะี่แล้วสบายดีค่ะพระอาจารย์จะบอกพะอาจารย์ว่าตอนนี้เหลือยาแค่สองตัวแล้วค่ะยาซึ่งชาที่กินเมืม่อธันวาก็คือลดไปอีกตัวหนึ่งเลยค่ะปัดออกไปเลยไม่มีปัญหาอะไรสบายใช่ค่ะปีก็คือปีที่แล้วก็คือลดยาไปได้นหนึ่งตัวเลยค่ะตั้งแต่เออได การก็ฟังคำสอนของพระอาจารย์ได้สติไปกุ่มได้สตค่ะใช่ค่ะโรคโรคโรโรคกินเกิดจากการไม่มีสติเป็นหลังใช่ค่ะพอ ม, มีสติแล้วก็มีปัญญารู้ความจริงอะไรเป็นไรมันก็มันก็ปล่อยวางได้ใชม่มันก็หายเครียดหายทุกข์หายเศร้าค ดีต่อไปก็ตามต่อไปก็ลองเริ่มเริ่มดอะไรก็ได้ลองทดลองเดีค่ะก็เหมือนกับทุกๆสองเดือนนะคะจะให้คุณหมอเขาลดยาลงเรื่อยๆค่ะตอนนี้เพราะว่าเหมือนกับเหมือนความคิดเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเริ่มมีสติมากขึ้นเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นอืมก็เลยไม่ต้องใช้ยาดีพยายามทำใจให้นิ่องให้สงบอย่าไปคิดมากนะค่ะ โอเคมีอะไรไหมไม่มีอะไรแล้วค่ะพรอาจารย์ขอพระอาจารย์ถ้าขันแข็งแรงค่ะเดี๋ยวจะเข้ามากรบพรอาจารย์บ่อยๆจ้าจ้าทุ่มแม่แม่น้องเลนต่อแม่น้องเหลนนครตปฐมค่ะพรอาจารย์คะ่ะได้ยินหนูมไหมเจ้าคะได้ ย, ยินจ้าอ๋อค่ะวันนี้หนูมาร่วมฟังคะ่ะพรอาจารย์โ okay. อเคเขีนไปย <หา S 1> ินวันนนต่อฮะวันนันอุยอนธานี อ่กนอเมริกค่ะพอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะโอเคไปที่ USA Maryland บ<ะ>ุนเทเรนทอนอ่าหายไปที่ไหนพ า, าพระอาจารย์ยมไม่ได้เข้ามาเพราะว่ายมไม่ได้ปฏิบัติๆๆตไม่มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังเลยวิกาเข้ามาสู้หน้าพระอาจารย์เราค่ะ ยมพูดความจริงค่ะแต่วันนี้วัน อ, อยมเข้ามากราบท่านพระอาจารย์ค่ะแล้วก็เข้ามาร่วมรับคำถามค่ะไม่มีอะไรไม่มีคําถามอะไรไม่มีอะไรค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ด้ค่ะต้องปฏิบัติต่อเนื่องค่ะพยายามดึงสติกับมานะเดี๋ยวเสียสตินะพระอาจารย์เมื่อกี้ได้ยินที่พระอาจารย์คุยกับอคุณยินดียมก็ยังคิดว่าเ อ, อ้ที่นี่เมื่อวานก็ฝนตกหนักมากมแล้วก็ตอนแรกก็บอกว่า ลมนี่จะห้าสิบไมล์เลยอะค่ะยงก็พูดกับเพื่อนว่ายุมไม่ต้องขับรถแล้วเดี๋ยวยุมจะบินกลับเพราะว่าฝนฝนจะตกงนักเนี่ยสองถึงห้านี่ว่าค่ะตอนแรกตอนแรกบอกว่าจะเป็นหิมะแล้วก็เลื่อนมาเป็นฝนแทนนะคะก็ตู้กี่ปองกันไม่ค่อยดีเลยค่ะอืมก็ต้องพยายามรักษาตัวไว้นะอย่าไปมันจะเป็นต้องออกไปข้างหน้าก็อย่าไป ค่ะแล้วก็มีคนป่วยเยอะแยะไปหมดเลยอุงกเลยทำงานที่บ้านใช่ค่ะพระจท่านนี้ค่้ากลบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าเห็นไปที่สเปนต่อคุณพระธาพรนัวสุรีโอได้รับพระจักรรรดิได้รับแล้วเรียมร้อแล้วสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเก่ามสการจ้าค่ะหลวงพ่อ ไป ย, ยังไงเมื่อกี้ฟังที่หลวงพ่อคุยกับน้องน้ํา๋อเรื่องความสงบจ้ะเั้อื่แต่บอกว่ า, าคาวามสงบ ม, มันมันมหาศาลนะเจ้าค่ะเพราะวามันมันเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วบางทีมันอธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ที่เราได้รับเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อนะค่ะ มีความสุขที่มหาศย์ที่ไม่สามารถพูดมาเป็นคาพูดได้มันเป็ น, ม, นมันมหาศาลนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะท่เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ดีพยายามทำบ่อยๆทำให้มันเกิดบ่อยๆแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกตัวเราเจ้าค่ะหลวงพ่อมันไม่อยากได้อะไรแล้วเจ้าค่ะ ม, มันความสุขมันเป็นอีกรอบ ความสุขปลอมความสุขภายในมันความสุขปลอมสงสัยเดี๋ยวว่ากายไปหายไปทุกข์ก็เข้ามาแทนที่เจ้าค่าหลวงพอ่อเจ้าค่ะก็ข้างนอกลูกก็ก็พิจารณาเพราะว่าเราอยู่อย่างนีง้ก็ก็คนรอบข้าก็ก็จะพิจารณาไปแต่ว่าเราไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปเจ้าค่าหลวงพอ่อมันมีความสุขแบบ ใช่ค่ะบางเวลไม่ทำไปยุ่งกับคนอื่นเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่เราก็ไม่ยุ่งกับใครไม่ไม่ไม่อยากยุ่งกับใครเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่อยากไม่ไม่ไม่อยากไม่อะไรทางนั้นเช้ค่ะเจ้าค่ะทำไปตามหน้าที่ท ja ี่ที่ที่บ้านที่เรามีเจ้าค่ะแต่สําหรับข้างนอกกับอะไรก็ไม่ไม่ยุ่งอะไรไปสเป็นอย่างนี้มานาหลวงพ่อ ทำตอ่อไปให้มีความสุขไปเรื่อยให้มีความสุขทุกวันมีความสุขทั้งวันนะสุขเนอะสุขเนาะใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุอันนี้จริงๆเจ้าค yeah. ่ะสุขเนอสุขเนาะจริงจริงเจ้า nice ค่ะหลวงพ่อมันเป็นความมหัศจรรย์อธิบายออกมาเป็นคาพูดไม่ได้เหมืนมันป็นมัได้แต่อุทานก็สุขเนาะสุขเนอท่านั้นเองค่ะหลวงพ่อครับเลียวมีอะไรไม่เลียว มีครับวันนี้เข้ามาฟังครับวันนี้ยังไม่ไปเรียนะนะเราเรียังไม่ไปนะยังครับวันที่ยี่สิบสองอ๋อเป็นยาวเลยนะเป็นยาวครับโอเคข่ายหลวงพ่อมาปดขันแข็งแรงเจ้ขขาค่ะสาธุจ่อาอาเทนี้ก่อนนะค่ะสาธุจ่ขขาไปได้คุณช่วงสุดาเจิาคุณสวงสุดาวันก่อนที่มาฟังธรรมที่ที่ทน่านติใช่ไหม ก็ได้ค่ะมิวยังอนใหม่ยน่ไหมคะอาจารย์อ่าพดได้นำหน่อยใช่ค่ะกลับในวัชการคระอาจารย์ใช่ค่ะไป<อ>ฟังธรรม<อ> ท, ที่ที่น้ากุฏิมาคระบอาจารย์ก็รายงานพระสาราีครั้งนี้นั่งนั่งพรเพียพรฟังธรรมได้จนครบชั่วโมงที่พระสาราเทศค่ะจึงหลุดออกมาตอนส5สห้านาทีเหมือนเดิมแล้วก็ คำสอนพระอาจารย์มันมันมันมันขึ้นมาพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกครแล้วไม่ไม่ไม่เจริญสติต่อก็เลยก็เลยคือกลับเข้าไปใหม่ก็แต่มันมันกลับเข้าไปด้วยความเสจ็บก็เลยต้พุดโธแบบผีบยิบจนจนมันว่างเลยพระอาจารย์ค่ะรู้สึกว่าปิดมาคำสอนพระอาจารย์ทุกครั้งมันมันช่างมันช่างตรงมันเถียงไม่ได้พระอาจารย์ก็ไม่เจริญสติต่อเองก็เลยรลุดออกมา ค่ะวันนี้เลยอยากจะขอถามพระอาจารย์สองเรื่องค่ะพระอาจารย์เรื่องผู้รู้กับเรื่องอารมณ์นี้เนี่ยพระอาจารย์คือถ้าถ้าเราตอนนี้เราเริ่มเผยกับความเจ็บต่างๆที่มันเข้ามาตอนตอนรักษาตัวนะพระอาจารย์ทาาสุขควาเจ็บหรือความกลัวเวียนหุวต่างๆที่ที่มันเกิดเนี้ยแล้วเราถ้าเราวางเป็นแค่รู้อะพระอาจารย์ ก่อนก่อนนั้นก่อนทําก็จะไม่มีอารมณ์ที่แบบไม่อยากแล้วเนี่ยพระอาารย์พยายามคือมันมันมันเหมือ น, นกําหนดนิดนึงแล้วก็ตั้งตั้งสิ่งแล้วก็สักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆอย่างพะอาจารย์เลยอยากจะถามพระอาจารย์ว่าซึ่งมันก็โล่งโปร่งเบามากๆพระอ า, าจารย์อยากถามว่าการจิตที่มันเป็นแค่รู้แบบนี้ยพระอาจารย์มันมันคือเพราะเราเป็นแค่รู้เราไม่ได้สร้างตัวตนออกไปรับอะคะพระอาจารย์ ก็ <muitas> นั่นแหละถ้าเราถ้าเราไปปรุงแต่งแล้วก็ไปสร้างความอยากขึ้นมาอยากได้แล้วอยากอยากไม่ได้ขึ้นมาแล้วมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้เฉยๆอะไรมาก็รับรู้เฉยๆไปสุขก็มาก็รับรู้เฉยๆไปทุกข์มาก็รับรู้เฉยๆไปไม่ไปยินดีร้ายไปกับมันเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ทุกข์ ันคือจุดปะจุดจุดหมายของการปฏิบัติธรรมก็คือให้รู้เฉยๆไปอย่างที่พระเจ้าทรงสอนว่าสักแต่ว่ารู้เห็นก็สัตว์แต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปลากไปชั่งไปกลัวไปหลงกับมันก็คือเป้าหมายคือตรงนี้ใช่ไหยครับอาจารย์ถ้ามันไม่เฉยก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธหนึ่งเอาไว้ถ้ามันยังไปลากไปชั่งไปกลัวไปหลงอยู่ก็แสดงว่ามันยังไม่ ได้อยู่ตรงจุดอุเบกขาอืถ้ามันขับกลับไปยืนตรงจุดอุเบกขามันก็จะเฉยเฉยมันจะไม่ทุกไม่เดือดร้อนจะมอะไรแต่มันเหมือนถ้าเราพลาดเมื่อไหร่พลาสติเผยสติเมื่อไหร่มันก็จะมีมีความเอมดือดร้อนมันจะตันหาความอยากขึ้นมาเกิดความทุกข์กลายความเพียรขึ้นมาเหมือนเราต้องต้องคล้ายๆเตรียมพร้อมตั้งรับตลอดเวลาที่เมื่อจะมีเวทนามาใช่ครับ ก็ต้องฝึกซอมไว้ก่อนไงฝึกซอมให้ใจนิ่งๆเฉยๆไปฝึกสมาธิฝึกสติอยู่เรื่อยๆ้ว <c oughs> ต่อไปเวลาเราไปเจออะไรเราก็ใช้ปัญญาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอนิจจามันเป็นอนัตาเราไปห้ามมันไม่ได้มันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปได้ไหมทุกข์ <c oughs> จะจบวบจะไม่เลี้ยงไม่มีร่างกายไม่มกลับมาเกิดใช่ไอมจะ๊ะ ถ้า ไ, ไ, ไม่มีไม่มีร่างกายมันก็สบายไม่ต้องมาดูแลไมัน้องมาเลี้ยงดูไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าเราไม่มีความอยากใช้ร่างกายแล้วเราก็จะไม่มีก็มไม่มาเกิดถ้าเรายังมีความอยากในรูปเสียงกิ่นรสอยู่มันก็ยังจะนงเนรามากมทำมาเกิดอยู่เข้าในะคะพระอาจารย์ถ้าใช่อีกอีกเรื่องเป็นเรื่องอารมณ์นิดหนึงค่ะพระอาจารย์ครั้งที่แล้วที่ที่เรียนพระอาจารย์ว่า อ, อกจากวัดแล้วมันรู้สึกตอนแรกรู้สึกสงบแล้วไปอ่านวายมีดีแจรกกันหาในที่ทํางานเราก็เลยรู้สึกหงุดหงิดโกรธทีมที่ทํางานนะคะที่พ่อพอมันมีแบบนี้อยู่ดีเราก็มันก็มีคําสอนพระอาจารย์ขึ้นมาที่ว่าอารมณ์จิตมีอารมณ์เป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้ค่ะ จ, จากเดิมที่รู้สึกแบบหงุดหงิดว่าทําไมสงบดีๆไม่นานออกจากวัดไม่นานแล้วก็มีอารมณ์โกรธแทรกมาทีนี้พอเห็นตามที่พระอาจารย์สอนนะว่า จิตมันเีงอารมณ์เป็นนันตาแล้วความหงุดหงิดตัวนั้นมันก็เลยหายไปที่ตอนพอมาอ่านความไม่อยากให้มันไม่หงความไม่อยากให้ไม่มีอารมณ์แล้วเนี่ยมันก็เลยพอเราหยุดความอยากนิดหนึ่มันก็มันก็ไม่หงุดหงิดกับอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ใช่ค่ะพระอาจารย์ที่จังหวะที่มันเกิดครับอาจารย์หนูไม่เห็นตรงนี้แต่ได้ได้คําสอนพระอาจารย์แค่ว่าออารมณ์มันเป็นนันตาแล้วมันก็ดับไปเลยอันนี้มันมันเพียงพอไหมพระอาจารย์ อ่าแล้วมันดับแล้วก็ก็พอแล้วถ้ามันการปฏิบัติเพื่อดับความเครียดดับความทุกข์ถ้ามันดับมันจะไปพิจารณาอะไรต่อนะเข้าใจละค่ะอาจารย์ต้องจำว่าถ้าเกิดความเครียดจับขึ้นมาใหม่ก็ต้องพิจารณาใหม่อเคเข้าใจนะคะคือถ้าถ้ามันคือตอนนี้พ่อพอเห็นแบบนั้นพ่อมีอารมณ์นัเหมือนก็จะเริ่มที่แบบเรู้แล้วว่ามีอารมณ์แล้วก็รู้แล้วเดี๋ยวมันจะดับไปเองเป็นไตรลักษณ์ก็เลย ไ ม, ไม่ได้ไ <ป S 2> พิจารณาไม่ต้อไปทําอะไรไม่รู้ชื่อหรือไม่แต่เราก็จะไม่รู้ว่าเราเราเราโกรธเราหมติเพราะอะไรไม่เป็นไรเฉยๆไะเถอะที่มาที่เราไปอยากเขาเราโกรธเพราะเราไปอยากแล้วไม่ได้ทางใจอยากเราก็โกรธนั่นแหละแต่บางครั้งเหมือนเราขี้เกียจหรือเปล่าไม่แน่ใจไปใช่แค่รู้ว่ามีอารมณ์กรธเราก็เออรอมันเป็นใจรักไปเราขี้เกียจถ้าถ้าดับมันได้ก็ไม่ต้องไปทำเลยเพราไม่ต้องพิจารณาถ้า กันนะหนไม่ได้ก็ต้องพิจารณายัางเข้าใจเลยครับาอาจารย์ยังยังทําไม่ได้ทุกครั้งจะพยายามค่ะอาจารย์แล้วก็<ม>คําถามสุดท้า ย, ยพระอาจารย์พอดีที่ที่ผ่านมาอยู่ปฏิบัติไล่ตั้งแต่รู้สึกร่างกายเสื่อมมีควาทุกข์กับความเจ็บแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ายังไม่ทันเจ็บอารมมันก็ถุกนะคระอาจารย์ทีนี้ปฏิบัติแบบนี้กับกับหลวงพ่อที่ท่านฤาษีหลวงปู่ศรีหลวงปู่ฟ้าน แล้วพอมาได้ฟังทำต่อพระอาจารย์ก็เลยทราบว่านนี้มันถือขั้นตอนของสติปัฏฐานสีใช่ไหมคะอาจารย์นี่หนูก็เลยอยากทราบว่าไอการดูจิตในสติปัฏฐานสี่นี่ยค่ะพระอาจารย์มันเกี่ยวข้องกับสั่งยศสิทธิ์ที่จะช่วยใเให้เราไม่กลับมาเกิดอย่างไรไมั้ยคะอาจารย์ก็ดูลมไงดูจิตก็ดูาลมเนะแล้วก็อย่าไปอยากถ้าอยากมันก็จะคา้าเรากลับมาเกิดอีกถ้าเราไม่อยากเราก็ไม่กลับมาเกิดอีก ไม่ประหยาด ก, กับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตเราไม่ว่จาจะเป็นอารมณ์ดีแล้วอารมณ์ไม่ดีก็เฉยๆไปแค่นี้เวลาทำมยอนเมื่อมนได้ เ, เข้าใจแล้วคะพระอาจารย์วันนี้หมดคำถามนะคะพระอาจารย์โอเคับขอบคุณพระอาจารย์ค่ะอ่าดูอ่าพูนหน่อยใจ น, นิดเป็นยังไง กราวธรัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอืมวันนี้ลงโทษ ล, ลูกหลานหรือเปล่ายังลงโทษอยู่ค่ะแค่งดแคบตอนปีใหม่เพราะว่าไปนั่งสม า, าธินักุฏิพระอาจารย์วันเดียวเจ้าค่ะแล้ววันนี้จับเข้ามาฟังหรเปล่าเข้ามาเจ้าค่ะปิดกล้องอยู่เจ้าค่ะคนั่งหลับจับประงกเหมือนเดิมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะหน่อยมีคําถามคือพอดีอ่า ในเธอสิ่งแต่หนกินโปรตีนได้ไหมเจ้าคขาอ่ามันแล้วแต่ว่ามันถ้าเป็นยาก็ต้องกินกับอาหารถ้ามันเป็นอาหารเสริมก็ต้องกินพร้อมอาหารก็ได้อ่อาชงกินเย็นตอนเย็นนี้ไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะถ้ามันนู่นจะเป็นโปรตีนมันก็มันจะอาจจะเป็นอาหารอาหารเหลวเป็นไหนว่าถ้าเป็นโปรตีนหนแบบเป็นโปรตีนแบบอ่าโปรตีนก็อาหารดีๆนี่แหละอย่าไปกินเลยอืม <laughs> เป็นน้ำเปล่าจะดีกว่าใช่ไหมจ๊ะน้ำเปล่าหรือน้ำน้ำผลไม้ได้อยู่น้ำผลไม้ที่ได้การได้การกรองโดยทั้งไม่มีเนื้อติดอยู่ใน น, น, น้ํานั้นแล้วน้ำส้มหน้นต้องกรองโดยทั้ทงไม่มีเนื้อไม่มีอะไรติดอยู่ในน้ํำน้ําผลไม้โดยท่า น, น, นาาดีที่สุกิขขนน้ำเปล่าได้ดีี่สุดเพราะส่วนใหญ่ที่อยากจะกินก็คือกิเลสไม่ใช่อะไรหรอกที่ต้องการจริงๆ ก, ก็คือร่างกายร่างกายก็ต้องการน้ําเปล่า ไอ้กิเลสมันต้องการน้ําที่มีรสมีชาติมีอะไรขึ้นมาเ <c oughs> จ้าค่ะคือพระ อ, อาจารย์เจ้าคะ่ะมีอีกคําถามหนึ่งเจ้าค่ะพอดีหน่อยไปฟังธรรมนักกุฏิแล้วพระอาจารย์ให้ะมาแล้วทีนี้ด้วยความหน่อยไปกลุ่มหน่อยไปกันหลายคนแล้วทีนี้ หน่อยอจะไม่เอาก็ได้แต่ว่าไหนอเอามาเพื่อที่จะเอาผ้าจานมาให้กับญาติธรรมที่ไม่ได้ไปหรือเอามาผ้าจานมาไว้กราบไหว้อย่างนี้ถือเป็นกิเลสไหมเจ้าคะก็เป็นความโลภอย่างได้ <c oughs> มืนไม่ยินดีตามมีตามเกิดเนี <c oughs> ่ยก็ให้เรามาแล้วก็รับแท่นั้นก็จบแต่เราอยากโลภอยากได้อยากจะมาให้คนเลยก็ยังมันก็เป็นความโลภอยู่เหมือนกัน ทำไมจะไม่ได้อยากให้กับตัวเราเองอยากไปให้คนอื่นมันก็เป็นความโลกแบบเดียวกันนะเจ้าค่ะมีสองคำถามเจ้าค่ะอีะอคำถามหมดหมดรือยงหมดแล้วจ้ะค่ะโอเคมนะั น, นั้งอยากไปโลกเขาให้อะไรมาก็รับไว้ถ้าก็าไม่ให้ก็เฉยๆไปคืออ๋อหน่อยมีความรู้สึกว่าอ่า พอดีวันนั้นมีพี่บอกว่าพระของแจกไม่น่าพอหน่อยก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกผิดนะเจ้าค่ะก็น่าจะบอกพระอาจารย์ว่าไม่เอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอืมวันนั้นเป็นวันปีใหม่ใช่ไหมเพราะเราจ่ายปีละหนเดีย ว, วอ่าปีปีหน้าแจกอีกใช่ไหมเจ้าค่ะวันที่หนึ่งอ๋อถ้ามีก็แจกถ้าไม่มีก็ไม่แจกอยู่ที่ญาติโยมเขาทามาให้แจกเราไม่ได้ทําเองอของพวกนี้มันมาเองอ อาจารย์เขหน่เห็นมีข้างหลังเป็นเม็ดข้าวด้วยอะเจ้าค่ะก็ไม่รู้แหละนะแต่เขาเราไม่ได้สนใจว่าจะใส่อะไรเข้าไปทั้งเรื่องของเขาไม่เอาไม่ใช่เม็ดข้าวพระอาจารย์ใช่ไหมเจ้าค่ะเขาก็ว่าเป็นข้าวก้นบาสเราไม่รู้อ๋อเป็นข้าวก้นบาสอาจารย์เจ้าค่ะ ไ, ไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะเราไม่ได้ไปติดตามเลยเจคะก็ มีคำถามแค่นี้เจ้าค่ะขอบคุณ <Okay. S 2> พระอาจารย์มากเจ้าค่ะาสาธุต่าไปที่คุณตายพทัทยาอจารย์คุณตายน้อมแติและมศกาห์พระอาจารย์วันนี้เข้ามาร่วมรับฟังค่ะพระอาจารย์ไม่มีมมคำถามไม่มีค่ะโ okay. อเคเดินไปที่คุณพันธาการต่อเป็นพันธาการอยู่ที่ไหนเคยยังไม่เคยเข้ามาใช่ไหม อ่าพูดได้เลยนมัสการกับอาจารย์ yeah. อยู่ที่ไหนจ้าอยู่เชลบุรีค่ะอันนี้อันนี้เข้าม า, างุครั้งที่สามแล้วค่ะอ๋อขรั้งที่สามแล้ววันนี้ก็ไปฟังธรรมนักบุติค่ะอ๋อไปฟังวารินญาเนี่ยค่ ะ, ะไปทุกวันค่ะ่วอวันนี้อาจจะจำไม่ได้เพราะใส่หน้ากากนสายแม่จัค่ะวันนี้วันนี้ไม่มีคําถามพรงอาจารย์มาร่วมฟังธรรมค่ะ โอเคสาธุยังไปที่คุณมาลีอุทากากอธรรมาครั บ, บหลวพ่อคะ่ะตอนนี้หนูก็ไม่มีของถามก็ยังปฏิบัติทุกวั น, นะคะ่ะหลวง่ดีปฏิบัติ <c oughs> ไม่ไม่ลดหย่อนนะค่ะเดี๋ยวถ้า <c oughs> มีโอกาสก็จะไปปฏิบัติที่วัด น, นะคะย่างพ่อ โหดูเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็ว่าจะไปอยู่วัดนะคะอ่าดีดีว่ามันดีกว่าที่บ้านนะบรรยากาศอะไรมันสับายยากกว่ากันสงบกว่ากันมันให้มันให้เขาเรียกว่าอะไรคะหลวงเพราะมันโอกาสที่เราจะปฏิบัติมันเหมือนมันบังคับเราไปในตัวถ้าเราไปอยู่ยลักเลยนะคะ่ะอืมมันจะสงบกว่า อ ย, อยู่ในบ้านมันมีอะไรคอยหลอกล่อใจเราอยู่เรื่อยๆมันมันมีหน้าที่อะค่ะหลวงพ่อ อ, อย่างอาทย์สาวอาทิตย์ที่แล้วอ่ะหนูก็ดูเวลาที่อยู่ที่บ้านนะี่ยให้มันเสียเวลาที่เราต้องมานั่งทําทําอาหารให้ทุกคนในบ้านอะไรเนี้ยค่ะทั้งวันเสียเวลา ท, ทั้งวันหนูก็เลยมีคําถามว่าเนี่ยมัน มันไม่ได้อะไรนะอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันเราเสียเวลาะค<ม>่ะหลวงพ่อแต่ชีวิตก็พูดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเสียใจอะอะไรเงี้ยว่าหนูจะไปแต่วัดจะไปอยู่แต่วัดอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อไม่มต้องร<ม>ู้จักต้องรู้งงจักรู้จักเวลาพูดรู้จักคูดเรื่องอะไรถ<ม>้าพูดไปแล้วสะเทือนใจเขาก็อยากพูดใช้ใช้ไปก็ไม่ วันหยุดก็ไม่ได้ไปไหนเช้าก็ทําทานเสร็จทาธุระไรเสร็จทําอาหารเสร็จเช้ามีเวลาส่วนตัวก็จะมุ่งมาตรงนี้ยค่ะหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้ไปที่อื่นหรอกค่ะดีเอาเวลามาให้กับการภาวนาให้หมดค่ะหรือว่าถ้าถ้าช่วงแบบต้องทํางานทําอะไรเงี้ยก็จะเปิดชื่อหลวงพ่อวันหยุดก็จะฟังตอนที่หลวงพ่อ วันวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะฟังที่หลวงพ่อเทศตอนบ่สองนะคะหลวง่อโอเคแค่นี้ฟังธรรมใบในปัญญาในศรัทธาอย่างอื่นมันก็อย่างนั้นนะคะหลวงพ่อมันมันมองแล้วเราก็รู้สึกมันไม่มีประโยชน์ค่ะมันเสียเวลาร้นแห่งธรรมชนะร้นทั้งป่วงใชใช่หลวงพ่อเขาเขาก็เลยไม่ค่อยมา เหมือนอย่างที่ทํา ง, งานก็ไม่ค่อยมาวุ่นวายเขาก็จะรู้ว่าหนูมาถึงก็ทำทานอะไรเสร็จก็จะขึ้นข้างบนห้องพักเสร็จก็มาทํางานเสร็จก็กลับลก็วนเวียนแต่หนูไม่ได้สนใจอย่างอื่นนะคะทั้งทั้งฝ่ายก็จะเห็นมีอยู่ประมาณหนูกับพี่คนนึ่งที่ที่จะมาแนวเนี้ยนะคะนอกนั้นไม่มีเลยะคะ่ะของพ่อก็จะ <Okay. S 2> จะกลายเป็นแบบแปลกๆไปสำหรับคนอื่นเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็ไม่ได้ใส่ใจนะคะหลวงพ่อเวลาคนเรามันทางเดินของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันจะไปอ่หลว่โอเคทํขคนเราไปคนอื่นก็จะทำให้ทำไม่ใช่เรื่องของเราอ่าหลวงพ่อขอบคุณหลวงพ่ออ่าสาธุด้ยะ ที่กร oh. ุงกรุงเทพฯกรุงเทพฯได้ยินไหมได้ยินค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมค่ะได้ยินชัดเจนจ้ะค่ะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรกับอาจารย์ก็ได้ฟังคําถามอหลายๆครับอาจารย์ก็ได้คําตอบเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์พบปฏิบัติ ต, ต่อไปยังแค่ว่าหลุดบ้างไปบ้างเพราะว่า ทั้งทํางานหลายอย่างด้วยค่ะพระอาจารย์ก็พยายามจะมีสติให้มากขึ้นพ อ, อ, อ, อใช้สติของของใจไว้ค่ะพระอาจารย์ออพอเวลาทํางานก็ใช้สมองบางทีมันก็อึ้งอึ้งไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเอาสติกลับมาก็เหมือนพุโทโธพุโทโธเดินไปที่ไหนก็พยายามแบบเออให้มีสติมากยิ่งขึ้นนะคะพระอาจารย์ก็ไม่นี้ยก็พยายามปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นนะคะพระเจ้า ผาอ า, <ภ>าจารย์ค่ะอเอาสติก่อนนะสตินี้สำคัญที่สุดค่ะพอาจาร <Okay. S 2> กกย์โอเคงันงั้นนะคะ่ะอาจารย์ค่ะขอขอบคุณพ่อ า, <Okay. S 2> า, าจารย์ค่ะแรบแผลแข็งเรยนะคะผ่ะอาจารย์ค่ะะแปมคุณแ ป, ม, ณแปมต่อแปมใช่ไหมอยู่ที่ไหนบมายคกโฟนก่อนอ่อยู่พัทยาเจ้าค่ะวันนี้ก็ได้ ไปฟังทำที่หน้าคุติเจ้าค่ ะ, ะไปทุกวันพระเจ้าค่ะอ่านีไปประโยชน์ค่ะค่ะไปฟังที่หน้าคุติดีกว่าฟังที่บ้านเจ้าค่ะเอะ่มันสงบกว่านะเจ้าค่ะแล้วก็อาทิตย์หน้าถ้าไม่มีอะไรติดขัดพุทธพรฤหัสสุขลูกจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดเจ้าค่ะดีจ้ะยอมที่พนก็เลยนค่ะ จองที่พักไว้แล้วยังยังไม่ได้จองเจ้าค่ะแต่ว่าคุยกับที่ที่บ้านไว้แล้วก็ตกลงแล้วค่ะได้ที่บ้านก็โอเคแต่ที่วัดยอดจะไม่โอเคก็ได้ถ้ามันจองไว้ก่อนเจ้าค่ะที่เมรัฐ จ, จะเต็มก็ได้เจ้าค่ะถ้าเราไม่น่ใาจาแล้วก็ไปจองที่พักไว้ก่อนพรุ่งนี้จะโทรไปจองเจ้าค่ะโอเคดีอ่าดูเจ้าค่ะมีอะไรไหม วันนี้ไม่มีคำถามค่ะเข้ามาร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะโอเคสาธุเจ้าค่ะไปที่รักสมบิร์คุณปุ้ยปุ้ยรักสมบิร์กทำน้ำมศกันค่ะพ่อาจารย์เป็นยังไงโยมก็ปฏิบัติทุกวันค่ะแต่บอกว่ากิจตกไปสองวัน <laughs> ช่วงก่อนปีใหม่แต่ว่าตอนนี้ก็ดีแล้วเพราะว่าโยมใช้ คำสอนของพระอาจารย์ว่าเราเกิดมาคนเดียวตัวคนเดียวจะเอาอะไรมากมายโยมก็จิตตกเกี่ยวกับลูกชายแหละคือบางทีเด็กมันดือ้อบาอาจารย์ mm hmm. พูดอย่างนี้คือว่าเขาอยู่ในช่วงวัยรุ่นเราสอนเขาไม่ได้ไง mm hmm. เราก็ถือว่าเราก็ถือว่าโอเคให้เขาเราบอกเขาแล้วเราเตือนเขาแล้วแค่นี้พอสิ่งที่เหลือเราใช้บุญบา ร, รมีของเราเพราะว่าเรามีหน้าที่โยมก็รู้ว่า โยมมีสักจากหลงพรอพุทธเจ้าโยมต้องอยู่เพื่อสร้างบุญสร้างบารมีโยมก็เลยกระโดดออกจากการจิตตกเข้ามาสร้างบุญโยมถึงแต่ตีสามเลยพระอาจารย์เพราะว่าโยมต้องเรียนด้วยค่ะโยมก็เลยเพราะว่าหน้าที่โยมต้องสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตอนเช้าโยมต้องไม่ขาดและตอนเย็นก็มันก็ไม่มีปัญหาเพราะโยมจะต้องเรียนสามชั่วโมงต่อ ว, วันนะคะโยมก็ไม่ได้ขาดตกบกพ่องแต่เรื่องขี้เกียจโยมก็ถอนออกจากตัวขี้เกียจแล้วเพะเอาเรื่องเรียนเข้ามา อยมก็จ uhm, ะมีแบบบางทียมรู hai, ้สึกว่าสิ่งที่หลวงตาบัวพูดมันเกิดกับโยมหรือเปล่าคือยมสมาธิเสื่อมหรือเปล่าพระอาจารย์สติยมยังไม่มีสมาธิหรอฮะเพราะว่ายมรู้สึกว่ายมนั่งนะแบบบางทีมันเสื่มความเพลิเนี่เกว่าเสื่อมความเพียรไม่ขยันพุทโธขี้เกียจพุทธร ใช่โยมที่เกีรติุชโธแต่ว่าโยมรู้สึกแบบว่าบางทีโยมก็รู้สึกแบบคนเหมือนคนไม่ ม, ไมีไม่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความรู้สึกเลยไม่มีรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกแบบใครบางทีเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ใครมาด่ามาว่าอะไรเราเราจะย้อน mm hmm. เข้าไปอย่างเนี้เลยจะสวนแต่นี่เรารู้สึก mm hmm. อะไรวะเรารู้สึกเฉยเฉยเรารู้สึกแบบเหมือนคนไม่มีฟีลิ่งอะไรอย่างนี้ ก็มันก็ไม่แน่หรอกบางทีก็มีอย่างรูกเราเราฟีลลิ่งกลับขึ้นมาทันทีนะใช่มึงใช่ห้อมั น, มน เ, รเรารู้สึกแค่ว่าเรารู้สึกแค่ว่าเออน้อยใจติ่งๆไปอย่างงี้แต่สุดท้ายเราก็โอเคนะเข้าใจแนะ่เออเราก็เออเราแต่และคุณถามว่าให้เขาเด็กให้เขาเด็กกับเขากับว่าขอโทษเราเรื่ออะไรอย่างนี้คือเราก็เฉยๆไปก่อนแล้วเราก็ใช้บุญบา ร, รมีนี้สอนเข้าไปออืม แม่เขาสเราก็ได้แม่เขาสอนเราก็ได้เขากำลังสอนเราออเราูออเรา้เป่าเพราะอย่ามายุ่งกับเราอย่ามาเสือกกับเราเข้ามาเสือกกับเราทำไมเขาเป็นโรคเมื่อแบบเหมือนกับเด็กที่นี่นะคะพระอาจารย์ <ừ> เขามีโรคและเป็นโรกคนเดียวเขามีโรคส่วนตัวสูงคือเขาจักลุ่มกับเพื่อนเขาถามว่าเขาเกย์ไหมเกเรไหมเขาไม่ได้เกเลยหรอกแต่โรคส่วนตัวมันสูงและยิ่งเด็กที่มันมาเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรแล้ว แล้วอู้ยัยุ่งกับเขาเ น, น, นี่ยนึกว่าเขาโตแล้วอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้เราไอ้ความเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเราอยู่เมืองไทยมาพ่อแม่เราประคบประงง ม, มาตั้งแต่เล็กแน้อยเราก็ออยากจะรู้อยากจะเหมือนกันแล้วผสมประสานกับวัฒนธรรมฝรั่งมันจะเหมือนกับว่าเออมาสอดรู้สอดเห็นเรื่องอะไรของฉันอะไรอย่างนี้เอออ่าก็ใช่แลละก็เราไปสอนรู้สอดเห็และทีนี้แต่พอเราเรามาคิดเราเอาเอาหลักธรรมของพระอาจารย์มาใส่แล้วโ อ, อ้ สงสัยเราไปเสือกเรื่องของเาเกินไปก็เลยถอยออกมาใช่เราก็เลยบอกเอ๊ะช่างมันให้มันทําไปทําตัวมไปเราถอยออกมาสร้างบุญสร้างบุารมีของเราเอออเราไม่น้าที่สอนเขาเพรสอนเข้าไปเวลาไหนสะดวกที่จะพูดก็พูดไม่สะดวกก็รอไว้ก่อนใช่เขาก็สอนได้สอนได้แต่ก็เขาจะเชื่อไม่เชื่อก็ล้วไปเราไมหน้าที่บอกก็บอกไปใช่ค จริงค่ะเรื่องนี้เรื่องจริงบางทีเหมือนกับว่าเออคือเด็กออกเวลาโตแล้วเขาก็ไปไปใช้ชีวิตของเขาอะ่ะเราต้องเราต้องเอาบุญรอเรามีแล้วตอนเนี้ยอ่า โ, <ะ>โยมก็ม่โยมก็ตั้งหน้าตั้งตาทาก็ขอพระพุทธเจ้าขอให้โยมได้เดินทางธรรมปีเนี้ยแบบแบบทุกปีทุกปีเลยขอแบบโยมขอเลยขอให้โยมได้เดินทางธรรมแค่นี้พ อ, อขอไม่ได้เราต้องเดินเลย จะไปขอเดินนีอ่อเดินมาเลยขอแล้วไม่เดินก็ไม่ได้ถ้า<อ>ไม่ขอแต่เดินก็ได้วโยมขอไม่ให้โยมขี้เกียจแค่นั้นแหละอย่าให้มีมารมาประจนแค่นั้นแหละมันนั่งขอแล้วทําไปเลยทําไปเลยถึงเวลาก็ทําไปเลยโยมเป็นไข้มาสองสามวันแต่ว่ายมก็สวดมนต์ไหว้พระก็สู้อ่ะสู้แบบเออเป็นป่วยเราก็สู้อือฮะเราก็ไม่ถอยค่ะ ตแต่โยมไม่ได้เป็นคนจิตเอ่อสมาธิเสืม่มใช่ไหมพระอาจารย์ได้ยังไม่มีสมาธิเราโอ้ถ้ามีสมาธิป่านนี้ไปบวชแล้ว <c oughs> อื <c oughs> อต่อเขากันอะโอเคยังไม่มีสติยังไม่มีสติยังอยากเอ่อแบบเราเราก็เราก็แบบว่ายังอยู่ในโลกอยู่แต่โยมก็ <batht wallet. S 2> ขอนะว่าโยมยังไม่บวชนะแต่ถ้าโยมจะถือศีลถือศีแลแปดจะและจะ คือความฝันของโยมก็คืออยากจะอยู่ช่วยพระช่วยเจ้าแล้วก็อยากจะสร้างคุณงามความดีอยากจะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ยากๆค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องไปช่วยพระท่านหรอกท่า น, ท, านท่านดูแลตัวท่านเองได้เราช่วยตัวเราเองให้รอดก่อนน ะ, ะเราดเราให้รอดก่อนโอเคะ okay, นะมีอะไรไหมไม่มีค่ะขอพรค่ะพระอาจารย์อขอให้ใหเราไม่รวยโชควาภทุกงวดนะ อสุ้วอาจสุท่นทีเลยนนะขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงครับอาจารย์จ่าสาธจ้าไปที่คุณ n อพีวันนี้มีคนใหม่เข้ามาคุณ n อนพีเคยเข้ามาปะกล่านามสกุลพระอาจารย์ค่ะจ่าพูดได้เลยค่ะลูกเข้ามาทรั้แรกค่ะพระอาจารย์จ้าอยู่ที่ไหน อยู่ที่ชนบุรีค่ะอชค่ะแต่ว่าติดตามพระอาจารย์มานานแล้วค่ะแล้วก็ไปฟังเทศน้าุติตั้งแต่อยู่บนเขาอ่ะค่ะก็คือไปก็หลายปีแล้วนะหลายปีค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ปฏิบัติพยายามปฏิบัติมาเรื่อยๆปีนี้ก็ได้มาเริ่มจริงจังมากขึ้นค่ะพระอาจารย์อ่าเรื่อยๆจํารื่อเวลาไม่ค่อยใส่นะอืม อาจาร์พระอาจารย์คะงั้นงั้นขออนุญาตถามหนึ่งคำถามนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตอนนี้ค่ะพอดีลูกก็ปฏิบัติทำสมาธิในรูปแบบอะค่ะานาทีอย่างน้อยพยายามจะทำให้ได้ทุกวันคราวนี้เวลาทำเนี่ยก็จะก็จะใช้วิธีการแบบพุทโธพุทโธแต่บางแต่บางทีพุทโธอย่างเดียวมันก็ยังดูลอยๆลูกก็จะมีแบบเหมือนกับเหมือนกับเห็นตัวเองหายใจอะคะ่ะทาเราทาควบคู่กันอย่างนี้ไปได้พร้อมกันเลยไหมคะ คือถ้าถ้าดูลมหายใจอย่างเดียวลูกจะรู้สึกว่าหลุดเหมือนกันนะคะจะต้องใช้ปลูกผูกกูใช่ก็ใช้เชือกสองเส้นเส้นหนึ่งมันมันมีกําลังน้อยก็ใช้สองเส้นถูกใจไว้ได้ไม่เสียหายอะไรก็ทำได้ก็ทําได้พุทธเข้าทัวร์ก็ดนดาดูลมไปแล้วไไก็พุทธโทไปด้วยกันก็นะแล้วแล้วถ้าเป็นแบบพุทธคือเหมือนกับเห็นตัวเองหายใจแต่ว่าพุทธโทพุทธโทก็แบบ พูดโทไปเรื่อยๆไม่ได้สมคัญกับการหายใจอย่างนี้ก็ได้ก็ได้ถ้ามันทำให้ใจเราเน่งก็ใช้ได้อยู่ที่ผลดูที่ผลว่ามันดีไม้มถ้าดีก็ใช้ได้การปฏิบัติมันไม่มีในต้องเป็นแบบตามรูปแบบสเสมอไปมันมีนอกรูปแบบเยอะแยะนั้วแต่ละคนจะจะไปเจออะไรเข้าที่ถูกกับตัวเองก็ใช้ไปไว้ดูที่ผลก็แล้วกันทแล้วใจเราสงบได้ผลดีัหม เราสงบเย็นสบายมีความสุขก็ใช้ไปได้แล้วมันสงบไหมมันดีไหมมันก็มันก็ดีดีกว่ามันก็ดีค่ะค่ะอาจารย์แต่ก็ยังมีหนูยังต้องฝึกสติค่ะบางทีคือทําไปมันก็จะมีช่วงที่ดีดีแบ บ, บรู้สึกรู้สึกนิ่งดีแต่สักพักหนึ่งความคิดก็ยังมีอยู่อยู่ก็ความคิดเข้ามาโดยที่ไม่ได้รู้ตัวแล้วก็แล้วก็กลับมาพุทโทใหม่ค่ะ แล้วก็พูุทูนก็วนไปอยู่อย่างนี้นตัวสำคัญก็คือตัวสติเนี่ยที่เราต้องพยายามฝึกคล้มากขึ้นวิธีการต่างๆมันจะดีขนานดะไหนถ้าขาดสติมันก็จะไม่ค่อยได้ผลอยู่ดีอพยายามเจริญสติระหว่างวันใช่ชใช่อย่ามาทําแต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งอย่างเดียวต้องฝึกสติตลอดให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ อาจารย์ค่ะเขาปรุณค่าเดชานไปปฏิบัติแล้ววิธีไหนมันก็จะมันก็จะไม่เป็นปัญหาปัญหาส่วนใหญ่บางทีมันอยู่ที่สติตเรามากกว่าพอขาดส ต, ติมันก็เลยสเป ส, สป่าไปนู่นมานี้แต่ถ้าเรามีสติแล้วให้มันอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับอะไรมันก็อยู่ไปไอโอเคนะท่านนี้แหละค่ะขอบคุณครัอบอาจารย์ครับแฟนปฏิบัติด้วยมาอยู่ในกันนะ ก็ปฏิบัติด้วยครับแต่ว่าก็ยังตามหลังทางคุณภรรยาเขาครับก็พยายามจะพยายามให้ากข้นครับอาจารย์ครับให้เขานำหน้าเราดีเราจะได้อาศัยเขาหนึ่งออกไปครับอาจารย์ครับแต่ก็พยายามไปวัดร่วมกันพยายามปฏิบัติร่วมกันไปวัดร่วมกันทำบุญร่วมกันทํางานร่วมกันนะครับครับอาจารย์ครับสาธุสาธุครับขอให้าจารย์ธาตุหันอย่างแรงครับอาจารย์ครับ อ่าไปที่กุมภาพว่าไรศรีราชากลาบมามาตการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้มีคําถามหน่อยนะค ะ, ะก็ปกติที่เวลาที่เราเรียนกับพระอาจารย์หรือว่ากับกับพระอาญาส่งทั่วไปะคะ่ะเราจะพิจารณาร่างกายว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนก็คือร่างกายนี้เจ็บแก่เจ็บตายแน่ๆอะไรเงี้ยนะคะส่วนจิตเนี่ยเป็นจิตตรงเดียวที่ที่เกิดในทุกภพทุกชาติ ทีนี้หนูก็จอได้ยินคนบางคนที่เขาพูดนะคะว่าเหมือนเขาเหมือนเขาเขาคิดกลับกันนะคะพระอาจารย์เขาเขาคิดว่าเขาบอกว่าร่างกายเนี่ยค่ะมันแน่นอนก็คือตายแน่นอนส่วนดวงจิตมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเกิดพอ เ, เกิดภพชาติใหม่มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกนั่นละนะคะอีกอีกอีกภพชาติหนึ่งเนี่ยค่ะอันนี้มันสามารถที่จะคิดกลับไปกลับมาเหมือนท่องอีพีโซย้อนหลังได้ไ้ยคะ ทิเปไปทำไมนะเหมือนเหมือนหนูก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือคือเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าร่างกายตายแน่นอนก็คือมันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นอันนี้จังส่วนจิตไม่แน่นอนเพราะจิตถ้าเกิดมาใหม่ก็ก็เป็นดวงจิตใหม่อะไรเนงะี้ยค่ะแล้วทำไมนะอยากจะรู้ไปทาไมหนูก็เลยอยากรู้ว่า คือถ้าเราใช้ปัญญาค่ะมันเราสามารถคิดกลับไปกลับมาแบบนี้ไหมคะหรือว่ามันทําให้เรานุ่งเองก็สิ่งที่เราควรจะคิดเราไม่คิดนะให้คิดตายรักหนึ่งว่าร่างกายเราตายรักนั่นนี่จำมันไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายนี่คือความไม่เที่ยงของร่างกายใครจะบอกว่ามันเที่ยงก็มัน ก, มนก็มันก็พูดไปใช้โวหานพูดไปทั้งเองอ๋อโหหันอ๋อโหหันนั่นเอง เพราะความไม่เที่ยงมันถึงแน่นอนมังแน่นอนเพราะมันไม่เที่ยงมันความไม่เที่ยงคือความแน่นอนอ่าแต่ไม่เลี่ยงเขาร่างกายมันมันมันเที่ยงร่างกายไม่เที่ยงร่างกายมันเดี๋ยวมันต้องกลายเป็นดินน้าลมไฟไปอ๋อก็คือเอาหลักหลักหลักก็คือเรื่องอนิจจังทุกขังมานาตาไปหลักโดยที่ไม่ต้องไปคิดอะไรที่มัน ให้มันยุ่งยากคิดไปให้มันไปเสียเวลาคิดไปเพื่ออะไรมันจะพุ่งซ่าแล้วก็คิดไปคิดมาแล้วผมก็เลยตัดสินใจถามอาจารย์ดีกว่าส่วนเจิตมันก็เป็นของของที่ไม่ตายแต่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามบุญตามบาปที่มันทําไว้ทําบุญก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นอินเป็นพรหมไปทําบาปก็ไปเป็นเปรตเป็นนัสุลกายไปเป็นเนรชันไปอันนี้จิตมันก็เปลี่ยนไปตามบุญตามบาป แต่บรรตัวบรรตัวบันเองมันไม่มีวันตายแต่ร่างกายเนี่งเดียวที่เราใช้อยู่นีนเดี๋ยวมันก็ตายไปแล้วเรียกมันกลับคืนมาไม่ได้นะเพรมันกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปแล้วมันจะไปเอามาเอาร่างกายแบบนี้กลับมาไม่ได้นะหมดแล้วใจมันไม um uh ่ไ uh ด้เ uh. ป็นแบบร่างกายมันไม่ได้ตายมันไม่ได้หายไปแต่เราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนฐานนะเพรามัน ก็อยู่กับบุญกับบาป ท, ที่ทําไว้เราทําำอะไรไว้เนี่ยคำว่าเราก็คือใจเนี่ยทําอะไรไว้ก็ต้องรับผลของการการะทําไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของของการการะทํานั้นๆทําบุญก็ไปเป็นเทวล า, าทําบาปก็ไปเป็นเปรตไปเป็นเดชาชันเข้าใจแล้วรจ้ะค่ะล้วรู้แค่นี้มันเป็นประเด็นทําพันที่ตรงไหน ใช่ค่ะประมด็นสำาัญก็คืออยู่ที่ร่างกายเราปล่อยวางมันได้หรือเปล่าในท้องไม่เที่ยงเราพยายามให้มันเที่ยงหรือเปล่าอยาให้มันไม่ตายหรเปล่าถ้าพยายามไม่เที่ยงก็ก็เป็นกิเลสละเป็นความเป็นความอยากเพราะนั้นถ้าเราหนูถามอีกนิดนึงค่ะเพราะนั้นการใช้ปัญญาเนี่ยเราเราไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันซับซ้อนวุ่นวายคือคิดให้มันเป็นธรรมชาติ ง่ายง่ใช่ไหมคิดตามความเป็นจริงไงความจริงมันเป็นยังไงก็มองให้เห็นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันเราควบคุมบังครับมันได้ไหมสั่งมันได้ไหมไม่ได้ถ้ามันไม่ให้มันแก่ได้ไหมไม่น่มันจะแกทําให้มันเป็นสาวได้มหมเราพยายามทํากันอยู่เนี่ยไปทําสัญญโรงสัญญกรรมกันตองนั้นที่สุดหน้าตายก็กลายเป็นผีไปบางคนบางคนหน้าตายกลายเป็นผีไป ใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยค่ะาะอยากจะไปทําให้มันเที่ยงเลยอยากให้มันสาวอยู่เรื่อยๆสวยอยู่เรื่อยๆ อ, อย่อยาไปทําให้อย่าไปทําให้เสียเวลาเปล่ากเสียงเงินเสียทองเสียเวลาเสียใจเสียหมดคือปล่อยมันแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปแล้วใจจะเย็นใจจะสบาย ยอมหยุดเย็นอย่าไปต่อสู้กับความจริงอย่าไปฝืนความจริงเราหยุดเย็นนี้ใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆ่ ะ, อะยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายแล้วก็ใจก็จะเย็นใ จ, จสบายแับขอบพักคไม่ทำพระตามจา้ะค่ะโอเคสาติใีกที่คุณประนอมต่อคุณประนามอยูี่ไหน ธรรมศาสก า, ารพระพุทธเจ้าเดือดเสริมออริจันค่ะอาจารย์อ่เดือดโอเคที่ก็มาม า, มาที่วัดมาไม่ได้เรื่อง น, นี้ไป ม, มาใช่ใช่ค่ะแล้วก็กลับมาวันนั้นก็เข้ารับพระอาจารย์าาาารยยค่ะก็ฟ<ม>ังธรรมอยู่ข้างนอกแล้วก็ปฏิบัติตามอยู่ทุกวัน<ม>แล้วก็หนูได้มีโอกาสเอ่อเขาไปปฏิบัติธรรมเยอะขึ้นก่ะหลวงพ่อช่วงนี้ นี่แล้วแฟนนี่เขารออีกนานอันี้หายดีแลอวหายดีแล้วค่ะก็โยยาจิตใจเขาด้วยเพราะเขาจะเป็นคนคิดเยอะหน่อยก็หนูว่าจะคือถ้าไปวัดหนูก็จะไปอยู่ทั้งวันจนประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วแต่ถ้าวันไหนมีคอร์สปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสไปสนทนาธรรมด้วยหนูก็จะอยู่จต่อยาวจนสี่ทุ่มอะค่ะ แล้วก็เขากลับบ้านมาดูแลเขาด้วยอะคะอ่ะแต่ว่าโดยรวมเขาดีขึ้นเยอ ะ, ะคะอ่ ะ, ะ, ะแล้วก็เมื่อสองสองวันก่อนนะคะได้ฝันถึงคือหนูฟังทมจนฝันว่าฝันถึงคือทมพระอาจารย์เข้าไปอยู่ในในความฝันนะคะอ่ามันอยู่ในความจำอของเราแล้วเวลานอ น, นหลับมันก็เอาความจำนี้มาคิดตรุงแต่งไป แต่ไม่ไม่ถือว่าเป็นกิเลสใช่ไหมคะก็มันเป็นเรื่องที่มันห้ามมันไม่ได้เวลาเราหลับมันไม่มีสติควบคุมใจใจมันจะคิดปรุงแต่งเรื่องอะไรก็มันก็คิดปรุงแต่งไปตามมาซาของมันถ้า <c oughs> เราไม่ถ้าเราไม่ไปทุกข์กับมันเราก็ไม่ก็ไม่มีกิเลสถ้าเราไปทุกข์กับมันแล้วถึงจะมีกิเลสเกิดขึ้นค่ะตอนนี้ลูกก็สุขภาพกายไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีอะค่ะ คือมันมีความปวดตามร่างกายตามข้อตามกระดูกหละจากการทำงานหนักนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ที่ลูกไม่น่นเลยคือไม่ทุกใจมันจะไม่ทุกตามก็พิจารณาเป็นเป็นใจรักปเป็นค่ะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็จะดูหนังสือกายคตาสติที่ที่ได้รับมาจากมาจากตอนที่ไปฟังธรรมะนากุติอะคะ่ะ อคือเล่มนั้นเพ่นปุ๊บ ก, ก็บอกว่าหนูอยากได้มากเล่มนี้คืออันนี้คือความอยากจริงๆแล้วก็ดูใใแล้วก็ถ้ใเป็นนักปฏิบัติตามแล้วอยากจะได้หนังสือเล่มนี้กันทุกคนะมีประโยชน์มากอ่ะแล้วก็พิจารณาดูไปทุกส่วนของร่างกายว่าแล้วก็อ๋อมันเท่านี้เองหรือมันเท่านี้เองหรือแล้วก็พิจารณาตัวเองไปด้วยนะคะว่ามันมีตรงไหนที่เป็นของเรา มันมันมันดูนไปนจนเราอยู่ตงไหนในใร่าางกายไม่มีไม่มีที่อยู่ของเรานะใช่ค่ะแล้วเวลาไปไปตลาดเราจะไปเห็นพวกเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยอ๋มอมันก็เหมือนมันก็เหมือนในร่างกายของเรามันมันก็จะไม่อยากกินไม่อยากอะไรก็จะเดินผ่านแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นว่ามีอะไรก็กินได้ไม่ไม่ได้ทุกข้อนกับการกินการอยู่ไม่ คื อ, อสันโดษย<ม>ินดีตามมีตามเกิดใชค่ะแล้วก็ทํางานนี่ก็คือทําแค่อ พ, พอเป็นยงัยงชีพค่ะแล้วก็มไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้สะสมอะไรคือเวลามองดูอย่างมีของของมีค่าที่เคยมันเคยมีความอยากได้พวกแก้แหวนเงินทองก็เห็นแล้วอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองมันไม่ได้มีอะไรมัน ม, มันก็เป็นธาตุเป็นธาตุดินธาตะเอาไปให้ความสำคัญวันเองไค่ะตอนนี้กลายเป็นว่ามีอะไรก็เคลียร์ออกคือเวลาเริ่มให้ของลูกหลานอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกไม่เสียดายใครเดือดร้อนถ้ามีความจำเป็นก็เอาไปไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันมีมันเป็นเพียงเครื่องเลี้ยงชีพเราที่พอเราไม่เคยมีเราพอเรามีเราก็รู้สึกอา้าวมันก็เท่านี้เองมันไม่ได้มีอะไร ก็เลยรู้สึกว่าทุกวันนี้ทุกลมหายใจเข้าออกคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ดูจะดูลมแล้วก็เจริญสติเป็นประจำตลอดเวลาแล้วก็เวลาก็มีอะค่ะมเจ้ากรรมนายเวร อ, อะไรที่แบบคนรอบข้างอยู่ๆก็มากระทบอย่างแรงคือเขามากล่าวหาในสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วก็ อ๋อไม่เป็นไรมันก็เป็นเช่นนี้แหละมันเป็นแต่รักจริงๆเหมือนเหมือนทําคําสั่งสอนที่ที่หนูได้รับฟังจากหลวงพ่อตลอดเวลาค่ะอืมดีแล้วแหละนะปล่อยวางทุกอย่างเราไปจัดการกับเขาไม่ได้แล้กไม่จะทําอะไรใครจะพูดอะไร<บ>ใครจะทําอะไรก็เรื่องของเขาไปปล่อยวางแ ม, ม้กระทั่งร่างกายอะตอนนี้คือทุกอย่างปล่อยเหมือนอารมณ์ก็ต้องปล่อยอารมณ์เราอารมณ์ภายในใจก็ต้องปล่อย อันนั้นอันนั้นคือหนูพยายามมากเลยค่ะหมันมันดูเพราะว่าตัวเองจะเป็นคนอารมณ์พอมีอะไรมากระทบเมื่อก่อนนะคะจะจะมีความรู้สึกง่ายตอนนี้อ๋อมันก็เป็นอย่างนี้แหละอ๋อมันก็เท่านี้แหละมันพิจารณาตามแล้วก็มีสติมากขึ้นนะคะเวลาขับรถอย่างเงี้ยรู้สึกเลยว่าอ๋อใครเขาจะแซงก็เฉยเราก็ มีสติคุมไปขับไปช้าๆอย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนฝนตกหนักๆลูกจะกลัวเวลาขับรถเพราะว่าเอ่อมันจะมองไม่ค่อยเห็นทางเพราะว่าหนูมีตาข้างเดียวะคะ่ะอันนี้คือไ ด, ได้ได้ประโยชน์มากเลยค่ะดูซิขณะเราเกิดมาแล้วยังมีตาข้างเดียวเราโชคดีขนาดไหนแล้วยังมีอ่ายัยังได้มาอาศัยร่างนี้อาศัยร่างที่พ่อแม่ให้มาให้ได้มาเกิดสร้างกรรม ดียดีทำ ต, ต่อไปนะทำ ต, ต่อไปอกบขอบคุณในความเมตตาของหลวงพ่อที่ได้มีให้ลูกได้มีโอกาสดวงตาเห็นธรรมอีกครั้งหนึง่งค่ะสาธุจ่ะขอบคุณค่ะบายที่คุณหมอสุทัศนีคุณหมออยู่ประชุมธานีมีอะไรไห ม, มคุณหมอ ไม่มีไม่มีคำถามเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ okay. ยังปฏิบัติอยู่นะปฏิบัติเจ้าค่ะโอเคปล่ okay. อยวางหมดแล้วยั ง, ย, งยังไม่หมดแต่ก็พยายามที่ทำทีละเรื่องละเรื่องเจ้ า, า, okay. าค่ะโอเค 8, 40, 80, นี่ค<ม>่ะเขอาค่ะคุณแปดสี่ศูนย์แปดศูนย์หกนี่เอาได้ท้ายเลยเอาอวันนี้นละนวันที่หนึ่ง สี 4, 4, 8, 4, ่ชิบแปดสิหกรบกวครับอ่า ม, มีคำถามอะไรไหมอ่ะคุณจะอยากถามว่าอ่มสวดมนนั่งสมาธิกับทำบุญตักบาทอันไหนได้บุญเยอะกว่าครับอ่ายทำบุญตักบาทมันได้ได้เร็วกว่าได้ง่ายกว่า เสด็จม น, นั่งสมาธินี่บางทียังได้ยากกว่าแต่ถ้าได้มันก็จะได้มากกว่า<ะ>แต่ต้องใช้เวลามากกว่าคเห็<ะ>นไหมถ้ายัางยังไม่ได้บุญจากการไหว้พระเส่วนมันก็ทําบุญใายบาทไปก่อนครับ<ะ>แล้วก็มาพยายามฝึกสตินั่งสมาธิเวลาที<ะ>่เรานั่งท่นจิตยังไม่สงบนี่มันยังไม่ได้บุญเข้าใจมครไหมแต่ถ้านนั่งแล้วสงบมันจะได้ความสุข ได้บุญมากกว่าความสุขที่ได้จากการใช่บาตรนะแต่ถ้ายังทําความทําใจให้สงบไม่ได้ก็ใช่บาตไปก่อนแล้วก็มาพยายามฝึกนั่งสมาธิไปเรื่อยๆต่อไปถ้าเรานั่งสมาธิได้มีความสุขแล้วเราก็อาจจะไปบวชไปบวชแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําบุญนําทานค่ะค่ะแม่ทำนะกลับน้มัสกะจ ลูกชายคนโตหายไปไหนไม่เห็นหน้าเลยไป อ, อ่านหนังสือค่ะพระอาจารย์ที่นี้สอบค่ะโอเคดีแล้วนี่ชั้นไหนนะคนไหนคะคนโตผู้ชายที่มาที่วัานวันมสี่ค่ะพระอาจารย์มสี่นะค่ะที่้สอบกลางภาคเก็บคะแนนนะคะโอเคค่ะคือซีนั่งสมาธิอะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอเข้าพอนั่งได้สักพักมันจิตมันก็รวมแล้วก็ มันก็จะตัวเบาแต่มันก็คงอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วมันก็มันก็เหมือนจะออกมาอีกแต่ก็ก็นั่งต่อไปมันก็จะเข้าไปอีกแล้วก็มันก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่เคยไปไหนจากนี้เลยค่ะพระจ้าค่ะอ๋อถ้านั่งสมาธิก็ได้ทันนี้เพียงแต่ว่าอาจจะให้มันนั่งแล้วมันสงบนานขึ้นยาวขึ้นก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นเวลาที่ออกจากสมาธิมาก็มาฝึกสติต่อ ถ้าอยากจะไปขั้นปัญญาต้องเริ่มคิดทางปัญญามองว่าทุกอย่างร่างกายของเรานี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาลูกเราคนสามีเราก็เหมือนกันเป็นร่างกายของเขาก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราต้องทําใจปล่อยวางให้ได้เวลาเขาไปเขาเป็นเวลาเราจะได้ไม่ทุกข์กับเขาอันนี้คือขั้นปัญญาค่ะ ทำได้ไหมสอนใจให้ปล่อยวางได้ไหมถ้าตอนนี้มันยังไม่เกิดถ้าลองคิดอ่ะค่ะพยายามค่ะก็คือก็คือถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาจะได้รู้ว่าทําได้หรือเปล่าใช่มันยังไม่เกิดแต่ถ้าพอเกิดก็คือมันก็มีพื้นฐานอยู่บ้างก็คิดว่าน่าจะเข้าใจมันได้มากขึ้นนะคะก็พยายามสอนใจอยู่เรืยๆอย่างนั้นมันเข้าใจเต็มที่เลย แล้วมันมั่นใจว่าไม่ไม่เดือดร้อยไม่ทุ ก, ก่อนมันยังแน่นอนค่ะนะ้วอยากจะก้าวหน้าอยากสมาธิก็ต้องหมายท่านปัญญาค่ะแต่ก็ต้องสลับกับการกลรมาทำสมาธินะคิดทางปัญญาแล้วมันเหนื่อยมันฟุ้งก็หยุดแล้วก็กลับมาทำสมาธิให้จิตมันนิ่งสลับทาไปทั้งสองอย่างสลับกันทำไป อย่าทิ้งสมาธิสมาธิทิ่งไม่ได้หรือแม้จะไปทางปัญญาก็ต้องกลับมาพักจิตในสมาธิอยู่เนื้อ มันจะได้ไม่ลืมจะได้คอยสอนใจได้เดิมตัวเดิมใจรับกับความจริงกันนี้ต่อไปค่ะได้ค่ะโอเคมีอะไรไหมไม่มีพระอาจารย์มีอะไรจะแนะนำหนูอีกไหมคะเอาเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะมากพอแลนะ้วกับขอบพระคุณค่ะนานะด้ยจาไปที่คุณจอยพัทยาจอยข่าค่ะ จใ ไ, ไม่กินอุาคุยากาศตอนเราตากาศาก า, กาตอนนี้เป็นเร็งตอนเช้าสายบานมันเป็นเหมือนซื้บื้อายังไม่ตื่นนะตอนสายตอนสา ย, ยบานยังไม่ตื่นใช่ไหม <c oughs> โอเคไม่มีอะไรใช่ไหมจอยอไม่มีค่ะหนูปไปสาบาน พยายามฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆนะอเคที่นี้ครูดีโอเคไปที่อาจารย์สายทิพย์เชนอันนี้อยู่มามาสารคามมาวิธีคิดวิธีร่างขายยาวิธีร่างขายาค่ะพระอาจารย์ขายดี่ะมขายาคายดีไหมดีนะขครดีอยู่ค่ะพระอาจารย์นึกว่าเป็นเซเว่นมีคนเจ็บแพ้ได้ป่วยตลอดเวลาเนะลูกขาเยอะค่ะพระอาจารย์ เราจะอยู่ใกล้มหาลัยด้วยค่ะผ้าจารย์ก็เลยขายดีแต่ว่าหนูเปิดช่วงเย็นค่ะกลางวันไม่เปิดอ่เพราะว่าเพราะว่า ไ, ไม่มีใครเฝ้าไม่มีใครเฝ้าไม่มีใครเฝ้าค่ะแล้วก็ปิดเลยเปิดช่วงเย็นก็ได้ความจริงไม่ต้องขายกล้งวันก็ได้เพราะว่าเราเลือกเวลามาเวลาที่เราเปิดเขาก็มาซื้อทีเดียวพร้อมกันเลยก็ได้ใช่ค่ะเขาก็จะเริ่มรู้เวลาค่ะ พอมาเปิดแรกๆเขาก็จะแบบทํำไมปิดกลางวันเาปิดไม่ได้พรไปสอนหนังสืออยู่เดี๋ยวผิดกฎหมายค่ะพระอาจารย์ก็เมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของการปล่อยวางอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์จะต้องแบบอจิตใจเข้มแข็งหรือทําอะไรประมาณไหนถึงจะปล่อยวางอารมณ์ได้<ก>ตลอดใช่ใช่กัมันไปไงเวลาเกิดอารมณ์เศร้าเกิดไม่รู้ว่ามเศร้า อย่าไปอยากให้มันหายอยากยิ่งอยากมันยิ่งทําให้เรายิ่งยิ่งเศร้าใหญ่มันรู้ว่ามันเศร้าเดี๋ยวมันก็หายไปมันไม่ของไม่เที่ยงออืเวลามันเบิกบานก็อย่าไปอยากให้มันเบิกบานไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปสลับมามันเวทนา่หละมันสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาอารมณ์ก็แบบเดียวกันก็คือมีได้แต่ว่าอย่าอย่าต่อต่อเนื่อง คือมันผ่านเข้ามาก็ก็รับรู้ใช่ไหมคะอาจารย์ได้รู้เฉยๆหรือว่าตอนนี้อารมณ์ไม่ดีอ่าค่ะอาทิตย์ที่แล้วสอบตกนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์ไปแอบปะทะคารลมกับพี่สาเล็กน้อยเพราะวาเหมือนเขาเป็นคนชอบเป็นคนแบบโทสะนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วชอบพูดอะไรที่แบบว่าไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เลย ก, ก็นี่เขาไปหน่อยนึงแล้วแล้วก็ ค่อยๆมาคิดได้ว่าเออเราไม่ควรทำนะแล้วก็ค่อยๆ ค, ค, ออคิดว่ามันมันเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์กแก้เขาไม่ได้พยายามค่ะก็ดีไม่เป็นไรบันทีมันต้องผิดก่อนทีนี้แล้ว่าถูกเป็นยังไงตอบตกเป็นพิเศษกับพี่สาวค่ะพระอาจารย์ เป็นควบบับแต่คนอ anyway> ื่นไม่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะพระอาจารย์เหมือนเราตั้งหลักได้หรือว่าเรายอมรับได้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้วเราไปใช้ปัญญาเอาว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได้เปลี่ยนแมวเป็นหมาไม่ได้เป็นหมาเป็นแมวไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดใจอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ก็ทําให้ใจมันสงบได้เร็วกว่าในอดีตเยอะค่ะแต่ก็ยังไม่ได้สงบทันทีอย่างนี้กเรียกว่าปล่อยวางเนี่ยไม่ไปยุ่งกับเขา ไปก็เป็นไปตามมุ่นตามกรรมของเขาค่ะแล้วก็<ม>เริ่มเห็นคนที่เราห่วงจริงๆแล้วเขาก็เหมือนห่วงไปเขาก็ไม่ได้ห่วงรูไ้ได้ไงดีเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราห่วงหรือเขาก็รู้สึกนี้แต่แล้วเขาก็เมินเฉยแล้วก็เออจริงๆเราอยากช่วยคนอื่นมากเกินไปเหมือนอาจารย์เหมือนพระอาจารย์ไม่ให้ไปเสือ่อมแกเขามากเป็นห่วงเขาเกินเขาไม่เห็นจะอะไรเลยอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ เขาไม่ได้เรียกร้องเท่าไหร่ไม่ได้เรียกร้องเรานี่สงสารไปก่อน อ, อยากจะช่วยอยากจะช่วยอะไรงะเงี้ยค่ะก็เลยพอเริ่มเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆว่าเออจริ ง, รงๆแล้วไม่ยุ่งกับใครทุกน้อยกว่าคะ่ะพระอาจารย์ก็ก็คิดว่ า, าน่าจะค่อยๆถอยถอยสงบแล้วก็วิปปิกวิเวกมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็ดูความจริงถ้าต้องช่วยก็ช่วยถ้าไม่ต้องช่วยก็ไม่ต้องช่วยอ่า่้าเขาอยากให้ช่วยก็ช่วยถ้าก็ไม่อยากให ช่วยไปอย่าไปยุ่งกับเขาก็คือดูว่าเขาร้องขอหรือเปล่าอดูบุคลิกว่าตอนนี้เขาร้องขอเลยเขาเฉยเขาเฉยก็รีบถอยเลยนะคะพระอาจารย์ใช่ค่ะเริ่มเรียนรู้แล้วก็เริ่มสงบแล้วก็เริ่มทุกข์น้อยลงค่ะพระอาจารย์อช่ธรรมะพระเจ้ามีไว้เพื่อดับความทุกข์ใจค่ะอถ้าปฏิบัติไปเรื่อยต่อไปความทุกข์ใจก็จะหายไปหมดเลยค่ะใช่จ้ะ จะพยายามฝึกวางเฉยให้ได้เยอะขึ้นจะพยายามปล่อยบางและยอมรับบาเป็นจริงค่ะพระอาจารย์เพราะจริงจริงมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรปัญหาอยู่ที่เราเองทุก อ, อยาก่างก็เป็นของเขาอยู่นั้นน่ะค่ะเราก็เป็นข<ต>อ ง, องเราอย่างนี้อยากอยากไปเปลี่ยนเขาอยากให้เขาเ ป, เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ค่ะจะพยาต้องรีบสอนใจตัวเองให้ทันค่ะพระอาจารย์เพาเดี๋ยวอยากเปลี่ยนเขาแล้วก็อย่าไป ไปตอบโต้หรือไปอะไรต้องสอนใจตัวเองไมาถึงอะบอย่าง น, นี้เราสอบตกอะไรเงี้ยค่ะคระยอมห ย, ย, ย, ยุย s, <S <c ười> ดเย็นยามหยุดเย็นดีกว่าค่ะเดี๋ยวได้ท่องคาถานี้ด้วยค่ะย <c ười> อยยยยยามรับสภาพของเขาแล้วเราได้หยุดไป <c ười> ไปไปหยากไปยันยุ่งกับเขาแค่ <c ười> <c ười> ได้หยุดยุ่งกับเขาเวาไปหยุดยุ่งแล้วเราก็ใจเราก็จะเยน็นสบายค่ะ <c ười> แล้วค่ะพระก็<ๆ> ค่ะแต่จะทําได้ก็ต้องท่องอาศัยสติกับสมาธินะอืมค่ะถ้าไม่มีสติสมาธิถึงไม่จะรู้ว่าม่กวัไปยุ่งกับเขามันก็อดไม่ได้ค่ะเหมือนสติเราจับไม่ทันเราก็ไหลไปก่อนถ้ามันฝึกสติหรือนั่งสมาธิบ่อยบ่อยได้ค่ะจิตมันเย็นใช่จิตมันนิ่งแล้วมันจะไม่ค่อยไปไปนะค่ะได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะพยายามฝึก ไป ม, ม า, า, ก, ากขึ้นสาธุครับโอเคอค่ะไปกี่ทุ่มเนี่ยนี่สี่ทุ่มค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะจนจบเราค่อยค่อยปิดร้านนี่ก็สี่ทุ่มพอดีนะั่นเองค่ะโอเคค่ะส า, าทุกครับไปที่ท่านต่อไปไม่มีแล้วไปที่คุณตาคุณคุณหลา้าอ่จารคุณหล้ามีคําถามทางว่านเท่าไย รบบในมส ก, การค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามเจ้าค่ะจากทาง Facebook และ YouTube คำถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามในการปฏิบัติธรรมรวมกลุ่มหากเราไม่ชอบสวดมนต์จะสามารถทำอะไรแทนได้บ้างคะมันก็ยากอะถ้าเราไปรวมกลุ่มเขาแล้วไม่ทำตามกลุ่มก็อย่าไปเท่ากลุ่มเน่เราอยากจะนั่งสมาธิของเราเยี่ยมเแี้วก็ไปนั่งสมาธิของเราคนเดียว ถ้าไปเข้ากลุ่มก็ควรจะทำตามเขามันจะได้ไม่มีปัญหาคำถามต่อไปจากคุณนางดิฉันสวดมนต์บทธรรมจกักวันละเก้าจบใช้เวลาสองชั่วโมงคะ่ะอยากนั่งสมาธิต่อแต่จิตไม่ยอมจะต้องทำอย่างไรดีคะก็เวลาสวดก็นั่งสมาธิไปพร้อมๆกันเลยนั่งในท่านั่งในท่าสมาธิแล้วก็สวดไปภายในใจ ไม่ต้องไม่ต้องลืมตาท่านจำได้นั่งหลับตานั่งอยู่ในท่าสมาธิแล้วก็ไม่ต้องสวดดอกเสียงสวดในภายในใจไปอย่างนี้ถ้าสวดถึงสองชั่วโมงได้ในคิดว่าจะนั่งสมาธิต่อได้เลยนั่งรนั่งดูลมต่อถ้าดูลมได้ก็ดูลมต่อไปคำถามต่อไปจากคุณเก่งสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นโรคพาณิกิ มีความกังวลง่ายมีความกลัวตายสูงเขาไม่เหมาะที่จะพิจารณาความตายหรืออสุภะหรือไม่ครับเพราะถ้าทําแล้วพิจารณาแล้วจะทําให้รักษาโรคได้ลําบากมากขึ้นพิจารณาแล้วเกิดความทุกข์ครับเขาควรจะพิจารณาอะไรถึงจะเหมาะสมครับกราบขอบพระคุณครับแล้วยังไม่กลัพิจารณาอะไรเลยกล็ควรจะฝึกสติหยุดความคิดต่างๆทางํท า, ทาใจให้สงบก่อนเอ ทำใจให้เป็นปกติบัอยใช้พุทโธพุทโธท่องไปทั้งวันอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเพราะใจยังไม่อยู่ในสถานะสถานะที่จะไปรับความจริงต่างๆได้ต้องทําใจให้สงบแล้วมันก็จะพร้อมที่จะรับความจริงต่อไปไนดะ้เเาะวค่อยสอนความจริงต่อไปมีคำถามสุดท้ายจากคุณสิทธ ผมอยากถามว่าคนที่มีลายมือกากระบาด ท, ทั้งสองข้างผมอยากทราบความหมายครับผมเห็นหลายอาจารย์ทางยู u b e ออกมาพูดเรื่องลายมือกากระบาดครับมาผิดที่เราดูไม่เป็นหรอกเรื่องลายมือเราไปถามพวกหมอดูว่าดูเราดูแต่กรรมอย่างเดียวดูที่พฤติกรรมของเราถ้าเราทำดีเราก็จะไปเราก็จะได้ดีได้สุขได้เจริญ ถ้าเราทำชั่วทำบาปล้วก็จะได้ความทุกข์ได้ความเสื่อมดูแค่นี้สำหรับเราเราไม่ดูอะไรมากไปกว่า น, นี้ทำหมดแล้วเจ อ, อเคไปที่กาแฟกา ฟ, ฟมีอะไรไหมธรรมศการครับมีมีครับช่วงนี้กิเลสเยอะแล้วก็มัอนมีความทุกข์ที่ได้ไปช่วยงานคูบาตัน ที่ที่ใต้ครับเขาให้ทํางานแต่ว่าเหมือนเขาทําแล้วที่วัดเขาคือผมก็ทํามาหลายหลายที่แต่ว่าเขาไม่ได้ทําตามที่รับปากไว้อ่ะครับแล้วก็ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินนะแต่ทาให้เรารู้สึกว่าเสียใจเลไอย่างเงี้ยครับรู้สึกเราก็ใช้ธรรมะหลายรอบแล้วครับแล้วก็ยังรู้สึกว่าเศร้าอยู่ครับไม่มีแรงทํางานเลยเพราะเราไม่มองจริงความจริงเขามันของไม่แน่นอนไม่เที่ยม เราไปรยากให้เขาแน่นอนบอกเขาไม่แน่นอนเราก็เลยทุกข์ทั้งนี้อย่าไปรยากสิก็อนก็อยากประหยัดหลายรอบแล้วเหมือนเราทําอะไรแล้วเขาก็เขาก็จะแข่งคือคือพอเวลาที่มีค่าที่เราสละไปแล้วก็เอาไปเอาไปใช้เอาไปอะไรเนี้ยครับเรื่องของเขาเราสละไปแล้วก็ไม่ใช่ของเราแล้วถ้าเราไม่อยากให้เขาใช้ก็อย่าไปให้เขาสิ เข็ยนไว้ต่อไป ต, อต่อไปก็ปก็ก็จะรู้รู้ว่าคือตอนแรกก็พยาจะไม่ยุ่งแต่ว่าพอไปยุ่งแล้วก็มันมีปัญหาเพราะว่ามันมีเรื่องแล้วถุงมงคลอะไรเงี้ยผมก็ผมก็ไม่ขัดทุนแต่ว่าคือท่า น, ท, านท่านที่ร่างสังขารท่านดีมากอย่าเงี้ยผมก็เลยไปอย่าเงี้ยครับก็ผ่านไปแล้วออย่าไปเสียอะไรก็เสียเปแล้วอย่าไปเสียใจยอย่าไปเสียสองเร่เสียเร่งเดียวก็พอ ได้มใจไหมา็น่าน่าจะเข้าใจเสียไปแล้วก็คือครับเงินปกติก็ก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรก็มีความสุขอย่าเสียใจอยอาแม้ความจริงว่าเราโง่อะไรนั่นละกันหมดเรื่องจบถ้าเราไม่โง่มว่าผมว่าฉลาดแล้วนะผมว่าฉลาดแล้วถ้าฉลาดมันก็ต้องถ้ามันฉลาดมันก็ต้องไม่เสียใจมันต้องไม่เสียของครับอาจารย์ ก็ก็ครับก็เรื่อง <Okay. S 2> เรามีเท่านี้นครับครับโ okay. อเคอาจาครับนะขอบคุณมากครับอาจารย์ไปที่ ค, คุณ A เอ็นเคกลไมาอีก้งมานักุณแม่นักุณกลับมาอีกครั้งเลยมาว่ามามีอะไรหรือเปล่าค่ะคระอาจารย์พอดีเห็นว่าไม่มีคนถามแล้วเกิดคําถามขึ้นนะคะพระอาจารย์สังเกตว่ามันอ่า คนคนที่รู้จักนะนะคะบางคนที่เขาแบบว่ามาในทางธรรมหรือว่าปฏิบัติมากเกินไปบางทีเวลาคุยแล้วมันเหมือนมันเหมือนเขาอยู่อีกโลกหนึ่งหรือว่ามันประมาณหลุดๆนะคะพระอาจารย์อันนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะเป็นเพราะขาดสติหรือว่ายัางไงอะคะก็ขาดทั้งสติขาดทั้งปัญญาก็เลยฟุง้งพูดไป ต, ตามจินตนานการของเขา คนที่มีสติจะเป็นคนใจเย็นจะไม่พูดมากถ้าท่านมีปัญญาก็จะรู้ว่าคนจะพูดอะไรและไม่ควรพูดอะไรค่ะไม่ได้เป็นที่การปฏิบัติใช่ไหมคะอาจารย์เป็นพอมันได้ปฏิบัติที่ถูกต้องมาเองถ้ปฏิบัติน้อยไปแล้วก็ใช้ความคิดเป็นตัวสร่ปว่าตอนนี้ได้ปฏิบัติมากแล้วได้รู้มากแล้วแต่ไม่ใช่เามไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกทางคือปฏิบัติมีอย่างมีสติก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกลัวว่าจิต เ, เราจะหลุดอะไรไปประมาณนั้นใช่ไหมคะถ้ า, ถามีสติมันก็ไม่หลุดที่มันหลุดก็เพราะ mm hmm. ไม่มีสติ mm hmm. อือเพราะเคยเคยได้ยินบบว่าเนี่ยปฏิบัติมากหรือว่าไปมากเกินไปเดี๋ยว คุณไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็จิตหลุดอะไรประมาณนั้นนะคะ อ, อาจารย์ก็เลยเอ๊ะน้องอน้องาเห็ุเกิจากอะไรได้บ้าไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติมากมันเป็นปฏิบัติแบบไม่ถูกปฏิบัติแบบไม่มีสติมันก็เป็นอย่างเนี้แหละอืมค่ะพระอาจารย์จะ<ต>ได้น้ำนะถ้ามีสติแล้วมันไม่หลุดหรอกสติมันจะเข้าประคองใจแล้วค่ะอืมถ้ามีสติแล้วมันก็จะไม่ก็อยากจะพูดคุยกับใคร มันอยากจะอยู่ก<ช>ับความสงบดีกว่าใช่ค่ะใช่ไหมค่ะเแทนมันอยากจะพูดอจากจะคยนยแสดงมันไม่มีสติแล้วคือฟุ้งไปเรื่อยไม่รู้สึกครับอ ะ, อะไรกันใช่กิเลสแล้วมันวนไล่แล้วอยากจะหวดอยากจะโชว์ความสามารถความรู้ของตอนเลย อืมไม่รู้ไม่ไมรู้คือไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธคือาศาสนาอื่นอื่นก็ก็จะมีประมาณเนี้ยค่ะก็เลยเอ๊ะทําไมเวลาคนที่เข้าไปลึกๆหรือว่าคนที่เขาแบบเอเขาเรียกอะไรนะคะเชื่อมันในในในคําสอนของแต่และาศาสนาต่างๆที่ที่เรารู้จักนะคะวเวลาเขาปฏิบัติจริงหรือว่าเขาเป็นจีเอไมมันดูเหมือนเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องหรือ ย, อยังไง อ่าอยาไม่สนใจก็เลยถ้าคุวยไม่รู้เรื่องกลัวกลัวกลัวว่าเราจะกลัวว่าเราจะเป็นอย่างไรอันน่งก็เลยเอทางทางที่ปฏิบัติที่ถูกคือเราจะต้องมีสติตลอดเวลาอ่มีสติสงบอ่าจะพูดอะไรก็ต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่พูดเพื่อเจอไปค่ะพระอาจารย์ อเควราต้องต้ามีสติแล้วไม่มีปัญหาหรอที่มันมีปัญหาเพราะมันไม่มีสติกันก็เลยเสียสติเป็นบ้างกันไปใช่ใช่คำที่ว่าจิตหลุดนี่คือเป็นเพราะเป็นเพราะเราไม่มีสติมาการกันอืะถ้ามีสติมันก็ไม่หลุดถ้ามีสติมันก็จะนิ่งจะสงบจะเย็นจะสบายอืโอเคค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะ อยากสาทุจะ้จะสาธุโอเคสักึกทุกคนได้ถามหมดแล้วใช่ไหมไม่มีใครไม่ได้ถามนะเห็นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ก็อขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ